ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื่อเฟื้อขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเอาวันนี้มาศึกษาพรหมวิหารธรรมกันต่อแล้วก็ถ้ามีประเด็นปัญหาสอบถามมาก็ให้เข้ามาสอบถาม ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพรหมวิหาราธรรมพรหมวิหารสี่ทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทําประจําใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์และก็ว่าธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดําเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์หมดจด แล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้โดยชอบอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของพมวิหารธรรมแล้วก็เชื่อมลงสู่สังหาวัตถุสี่ทีนี้ในชีวิตจริงๆเนี่ย อย่างที่เราบอกกันไว้ว่าเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกมุติตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นประสบได้ดีมีสุขอุเบกขาก็ความวางใจเป็นกลางในอันที่ให้ดำรงอยู่โดยธรรมะตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงทเที่ยงตรงดุจตาชูไม่เอยนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลของการกระทำของแต่ละบุคคลเป็นต้นการที่จะทำให้พรมวิหารให้เกิดขึ้นในใจได้เนี่ยทั้งเมตตากรุณาและมุทิตาถึงอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโดยเฉพาะหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตด้วยอะไรโดยมากแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยอคติใช่ หนึ่ชั้นทางคติลำเอียงเพราะรัก2องก็โทสาคติลำเอียงเพราะโกรธ 3. ก็โมหาคติลำเอียงเพราะหลง4ก็พยาคติลำเอียงเพราะกลัวอคติมันก็เกิดขึ้นในใจโดยเฉพาะมันมาจากอะไรก็มาจากตัณหามานาทิฐิอยากได้บางอยากใหญ่บางใจแคบบางหรือเรียกว่าโลภะโทษาโมหะถ้าพูดกันอีกทีก็คือว่ามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือใช้ความรู้สึก ในการดำเนินชีวิตรู้สึกชอบก็เป็นราคะความกาหนัดยินดีรู้สึกไม่ชอบก็เป็นโทสะคือโกรธไม่พอใจบางครั้งก็รู้สึกอยากจะทาลายอยากจะเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นภาวะวิหิงสาบางทีก็รู้สึกริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีนะมันทนไม่ได้บางทีก็รู้สึกขดขู่ท่อถอย บางทีก็รู้สึกฟุง้งซ่านลาคาญใจลังเลสงสัยเป็นต้นเนี่ยมูสัตว์ทั้งหลายโดยมากเราก็ใช้ความรู้สึกนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิตบางทีก็รู้สึกเฉยเฉยเนี่ยไอความรู้สึกในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นปกติธรรมดาของมูสัตว์ถ้าเราชอบสิ่งใดแล้วก็ควนขวายไปหาในสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งใดแล้วก็ปัสทศร้ายหรือโกรธไม่พอใจในสิ่งนั้นหรือรู้สึกเฉยเฉยลังเลสงสยัยบ้างฟุง้งซ่านบ้าง ตลอดถึงโหถูท้อถอยบ้างเนี่ยแล้วก็ถูกไอตัวราคาโทสะโมหะหรือจะเรียกว่าตัณหามนาัทิฏฐิหรือจะเรียกว่าการมาฉันทาพยาบาทินมิท้อุทธาจักกุกุจักวิจิกิจฉาแล้วแต่จากกลุ่มอกุศลธรรมกลุ่มใดแต่ส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละอย่าลืมว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็คือเราชํานาญกันมากในกรณีาการที่เราจะให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัว ทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรู้สัมมาสัมพุทธญาณอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ทรงรู้ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกแบบเนี้เวลาพระ อ, องค์บอกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายในยุค ก, ก่อนเนี่ยเชื่อเรื่องการเทวดาก็ดีเทพเจ้าเปที่เป็นผู้สร้างเป็นทุตบทดนบรนดาลเขาเรียกว่าพระพรหมสร้างโลก โดบนบรรดาลสร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ยหรือสร้างสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เราได้รู้กันแต่พระทธเจ้าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพรหมทั้งหลายหรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่จะมาขวนขวายในการที่จะสร้างพระธเจ้าก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่เป็นหลักการในกรณีที่ว่าเป็นหลักความจริงของชีวิตเนี่ยสิ่งที่สร้างโลกจริงๆก็คือว่ามนุษย์นี่แหละหรือหมูสัตว์ทั้งหลายนี่แหละ เราสามารถที่จะสร้างโลกให้เป็นอย่างไรก็ได้ก็เลยพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องคุณภนะมวิหารธรรมเนี่ยเมตตากรุณามุติตาและเวขาที่เรารู้รู้กันนี่แหละที่นี้เราท่องกันได้มากแต่โดยมากเราจะไม่ชัดในกรณีาการที่เราจะฝึกให้เกิดขึ้นใี่มีขึ้นโดยมากไม่ชัดไม่ชัดในเรื่องอะไรไม่ชัดในเรื่องของภมวิหาร ให้สังเกตดูว่าเมตตาความรักความปรารถนาดีกรุณาความสงสารมุทิตาความพอยินดีอเวขาความวางเฉยสี่ข้อเนี่ยถ้าด้านของเมตตากรุศลมุทิตาตาเนี่ยอันนี้ด้านความรู้สึกถ้าเวขาเนี่ยขับเน้นที่ด้านของความรู้วางใจเป็นกลางแล้วก็ขับเน้นที่ตัวปัญญาคือความรู้ความเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นขอไ ฉะนั้นตรงนี้นะในในกรณีแห่งการที่บอกว่าพร้อมวิหารดังที่กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเราสามารถให้เมตตาเนี่ยให้เมตตาเนี่ยขออภัยวันนี้มันคันคันคองยงไมเ้เอ๊เพิ่มเสียงนิดหน่อยึง เล่งเลงเสียงตรงนี้แป๊บหนึ <c> ่ง <oughs> เสียงมันไม่สะทอถ้าเราถ้าเราจะเพอลักษณะบอกว่าปกติโมสาธเนี่ยเป็นคที่มีมีความโกรธใช่ไรู้สึกไม่พอใจก็โกรธทีนี้ความรู้สึกโกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้อะไรมาแทนสอนให้สัตว์มีเมตตาด้านความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นอกุศลความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกที่ โกรธไม่พอใจเนี่ยก็ให้เมตตาเนี่ยเขามานั่งแทนแทนที่ในใจก็กําจัดความรู้สึกที่โกรธไปได้แล้วพอเมตตามาแล้วเนี่ยกําจัดความโกรธความอาฆาตพยาบาทเห็นไหมเนี่ยด้านความรู้สึกเนี่ยอันนี้เป็นด้านความรู้สึกในทางด้านของกุศลแต่การที่จะจะให้ตัว เ, เมตตาเกิดขึ้นมาได้ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือมีใจรักปรารถนาดนีที่จะขับเคลื่อนทําให้เมตตาเกิดขึ้น ทีนี้ถ้ารู้สึกโกรธรู้สึกโกรธก็ใช้เมตตาถ้ารู้สึกคิดอยากจะเบียดเบียนคิดจะทำลายคนอื่นก็ใช้กรุณาเข้ามาความรู้สึกกรุณาเนี่ยเข้ามาปิดกัน้นเพื่อให้ความรู้สึกที่เป็นอกุศลนะี่ยอันตรธานและหายไปถ้ารู้สึกริษยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ก็ใช้มุทิตาเนี่ยเข้ามานั่งแทนแทนที่เพื่อจะได้กําจัดตัวริษยาออกไปเนี่ยเห็นไหมว่าทั้งด้านความรู้สึก นั่นมูสัตว์ทั้งหลายที่มีความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นความรู้สึกโกรธความรู้สึกคิดเบียดเบียนความรู้สึกริษยาก็ให้เมตตามันนั่งแท่นทําลายโทสะเสียถ้ารู้สึกเบียดเบียนก็ให้กรุณาเกิดขึ้นถ้ารู้สึกริษยาก็ให้พวกมุทิตามา ท, ทําหน้าที่เห็นไหมมันจะเป็นปฏิปักษกันเมตตาเป็นปฏิบักษต่อพยาบาทคือโทสะกรุณาก็เป็นปฏิบักษ์ต่วิหิงสาคือจิตคิดเบียดเบียนมุทิตาก็เป็นปฏิปักษต่อ ลิศยาคือความเห็นคนอื่นได้ดีและทนไม่ได้ส่วนอุเบคาเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อความยินดีและยินร้ายหรืออภิชชาและโทมนานัดเป็นต้นหรือเป็นปฏิปักษ์ต่ออคติเป็นต้นอันนี้กลับเน้นที่ด้านความรู้ทางด้านปัญญาเป็นส่วนใหญ่เพราะเบคาเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าสังคมไทยเนี่ยโดยมากเนี่ยไปไม่ถึงอุเบขา เออเราจะไปไม่ถึงเลยโดยมากก็คือเราก็จะได้อย่างมากก็ได้เมตตากรุณ า, าสูงไปหน่อยกมุติตาเนี่ ย, ยแต่จะก้ามข้ามไปถึงหรือพัฒนาไปถึงจนอุเบกขาเนี่ยโอ้โหไปไม่ไหวเพราะเราไม่ชัดทีนี้เอาละพอมาเรียนรู้กันแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาหลายวันมากที่เราศึกษากันมาในเรื่องของพรหมวิหารที่จะเอาธรรมะประจาใจธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเป็นต้นเนี่ย ธรรมะที่ควรธรรมะที่ควรไว้ธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะได้ชื่อว่าดำเนินชีวิตที่หมดจดการที่เราจะทำให้เกิดขึ้นมาได้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ามีทั้งตัวความเป็นผู้ฉลาดคิดด้วยมีทั้งเนกขมัสสังกปะมีทั้งพยาปาอพยาปาธ า, า, า, าสังกปะมีทั้งอวิหิงสาสังกปะทึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้เมตตากรุณามุทิตาเกิดขึ้น ตลอดถึงอุเบกขาเกิดขึ้นที่ชัดกว่านั้นก็คือตัวฉันทะมีใจรักอย่างแรงกล้าปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เมตตาเกิดขึ้นมีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะให้กรุณาเกิดขึ้นมีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะทำให้มุติตาเกิดขึ้นแล้วก็มีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะทำให้อุเบกขาเกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าเราไม่ให้คุณธรรมเหล่านี้มาประชมไว้ในกระแสะชีวิตเราแล้วเราก็จะถูกตัวโทสะใช่ไหมถูกตัวจิตที่คิดเบียดเบียนตลอดถึงตัวริษยามากุ้มรุมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมีความยินดียินร้ายเนี่ยเข้ามากุ้มรุมมาเบียดเบียนกระแสะชีวิตแล้วก็ดําเนินทั้งความรู้สึกของเราเนี่ยในทางที่ผิดที่เป็นอกุศลเป็นต้นเอาละแต่เนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าการทําเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ย ยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายดังที่ได้กล่าวไว้แล้วถ้าเราท่านทั้งหลายสามารถทําให้เกิดขึ้นมาได้จริงแล้วเนี่ยการที่จะทําให้พรหมิหารประชุมในใจแล้วผลักเอามาเป็นสังขาวัตถุเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะได้เป็นสังขาวัตถุที่เป็นกุศลได้อย่างแท้จริงจะได้เป็นทานที่ถูกต้องจะได้เป็นปิญวาจาจะได้เป็นอัตจริยาหรือสมาณะตะตาที่ถูกต้องดีงาม ถ้าไม่สามารถทำคุณธรรมทั้งสีประการประชุมไว้ในใจแล้วเนี่ยการผลักออกมาหรือภาคปฏิบัติการที่เป็นสังหาวัตถุเนี่ยมันก็จะเป็นไปด้วยความเสียหายก็คือมันก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนมาได้แล้วก็จะเป็นโทษที่สุดจริงๆมันก็จะมีตันหาเป็นเครื่องล่อเช่นว่าถ้าเราจะให้ประโยชน์แก่ใครเราจะให้ทานแก่ใครเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราได้ประโยชน์เราจึงให้ ได้รับชื่อเสียงได้รับประโยชน์เราจึงให้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะพูดจาดีๆกับใครคก็ต้องได้รับประโยชน์เราจะประพฤติประโยชน์กับใครเราก็ได้รับประโยชน์หรือการที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปครุกไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับใครเนี่ยเราก็ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราประชุมพรหมิหารและทำในใจไม่ได้มันก็เป็นผลเสียตามมาอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วแต่เนี้ย เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วในเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็เชื่อมโยงลงสู่ภาคปฏิบัติการคือสังขาวัตถุทีนี้เมื่อเราสามารถปฏิบัติในหลักการในสังขารวัตถุได้แล้วเมื่อวานนี้ได้พูดว่าตอนนี้เราจะสู่ภาคในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงเนาะในชีวิตจริงของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้สังเกตูจากพรหมวิหารธรรม เมตตากรุณามุมตตาที่บอกว่าเข้าสู่ทานปิยาวาจาอัอธจริยาส่วนตัวเบขาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยผลักดันให้สมานตตาเกิดขึ้นใช่ไหมหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าเราต้องเอาไปฝึกให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยมากเนี่ย เมตตาเนี่ยสิ่งที่พึงระวังก็คือว่าโดยมากถ้าเป็นเมตตาเทียมเนี่ยก็จะเสียหายถ้าเมตตาเทียมก็จะเป็นการให้ทานที่มีตัณหาเจือปนการพูดด้วยตัณหาการประพฤติประโยชน์ด้วยตัณหาอย่างนี้ก็ไม่เป็นสังฆวัตถุที่เป็นกุศลหรือที่เป็นกุศลไม่มีพรหมวิหารละธรรมประชุมในใจกรุณาถ้าเป็นกรุณาเทียมเช่นเราเจอคนที่ประสบปัญหา ชีวิตไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเป็นต้นเหล่านี้เขาประสบปัญหาชีวิตเราก็โทมมนัสไปด้วยแล้วก็ให้สิ่งของเขาด้วยผู้จาปอบประลมเขาด้วยและประพฤติประโยชน์ด้วยไหมถ้าเป็นกรุณาเทียมก็เป็นไปกับโท ม, มนัสหรือถ้าเป็นมุทิตาเทียมก็โห้หถ้าหากว่าลูกเราประสบได้ดีมีสุขเอาแล้วแต่นี้ล้วก็กลายเป็นส ม, มนัต ด, ดีใจจนดีใจเพราะเราได้ผลประโยชน์ด้วย ที่เราให้ลูกเพราะเราได้ผลประโยชน์เพราะเราพูดจาดีกับลูกเพราะเราได้ผลประโยชน์ที่เราประพฤติประโยชน์ที่ดีๆกับลูกเพราะเราได้ประโยชน์ได้หน้าได้ตาเป็นต้นเหล่าเนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นมุทิตาที่เทียมไปถ้าอุเบกขาเทียมก็ไม่ต้องพูดถึงก็คือเฉยเมยไม่รู้เรื่องเป็นเฉยที่เป็นอัญยานุเบกขาเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดดังที่ได้ไอ้ที่จะกล่าวต่อไปก็คือเรื่องอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยเป็นสิ่งที่ เข้าไม่ถึงโดยมากเราจะได้แค่อัญญานุเปกขาคือเฉยเมยเฉยแบบไม่รู้เรื่องเฉยที่เป็นไปกับโมหะไม่แยกแยะไม่แยกแยะองค์ประกอบไม่ได้ไปพิจารณาเหตุผลที่เป็นไปตามธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าหากว่าการวางใจเป็นกลางในอันที่จะดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันจะต้องเป็นการใช้ปัญญาจริงๆที่จะถึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม จิตใ จ, จริงจึงต้องมั่นคงเที่ยงตรงและกระดุดตาชูไม่เอ็งเอียงด้วย ร, รักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีและชั่วตามสมควรแก่เหตุอันตนประกอบหรืออันบุคคลนั้นประกอบถ้าไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แปลว่าอุเบกขาทางานจริงๆทั้งนี้อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเมตตาใช้ในสถานการณ์ปกติกรุณาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลง มุทิตาก็ใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้นส่วนอุเบกขาใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะรักษาสิ่งที่คือให้เป็นไปตามความถูกต้องดีงามไม่เสียหลักการไม่เสียธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้วทีนี้ภาคปฏิบัติการที่เป็นไปสู่สังขาวัตถุก็ดังได้กล่าวมาแล้วทีนี้ถ้าเราเกี่ยวข้อง ทีนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะกําจัดอคติในใจ 1. กําจัดชั้นทาคติลําเอียงเพราะรักได้2กําจัดโทสาคติลําเอียงเพราะกลัว3กําจัดโมหคติลําเอียงเพราะเขาเพราะไม่รู้สพยาคติลําเอียงเพราะโกรธหรือลําเอียงเพราะกลัวอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นลําเอียงเพราะเพราะรักลําเอียงเพราะโกรธลําเอียงเพราะหลงกับลําเอียงเพราะกลัวเนี่ย ถ้าอาคติในใจหลุดไปได้เพราะมีพรหมวิหารและธรรมคือเมตตากรุณาพุทตาเวขามานั่งแท่นหรือประชุมด้วยในกระแสะชีวิตในใจแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติถึงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามที่จะผักออกมาเป็นสังาวัตถุที่จะผักมาเป็นตัวทานตัวศีลในการบำเพ็ญประโยชน์ทีนี้ชีวิตของพวกเราเนี่ยในกรณีที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเดินเข้าสู่ในโลกของความเป็นจริง เมื่อเดินก็สู่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวเอาสไลด์เกี่ยวในเรื่องของทิศทั้งหกนะขึ้นนะทีนี้การที่เราท่านทั้งหลายที่เราจะดําเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามก็แปลว่าการที่เราจะดําเนินชีวิตในกรณีที่เราเข้าสู่สังคมเนี่ยถ้าเราจุดเราเป็นจุดกลางเลยนะมันก็จะมีเกี่ยวกันในเรื่องของการทิศเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังกับทิศเบื้องล่างอันนั้นแปลว่าในกรณีที่ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วก็จะต้องยึดโยงกับสังคมก็คือยึดโยงตามทิศต่างๆนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตนเองตามทิศให้ถูกต้องดีงามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น ทนชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าในฐานะในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสังคมใช่ไหมเกี่ยวข้องกับสังคมการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะเจริญพรหมวิหารได้ใจได้หมดแล้วถ้าเราไม่สามารถเจริญพรหมวิหารในใจได้ แล้วไม่สามารถที่จะผักออกมาเป็นสังขาวัตถุได้เพราะเราไปเกี่ยวข้องกับคนแล้วก็เต็มไปด้วยอคติอายกตัวอย่างในกรณีที่ว่าในฐานะที่บุตรธิดาทั้งหลายเนี่ยก็พึงคารมมารดาในทิศเบื้องหน้าก็บอกเวลาเราหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกใช่ไหมหันหน้าไปถึงทิศ ต, ตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลที่เกิดก่อนเราบุคคลที่มีอุปการะคุณกับเรามาก่อนเนี่ยคือพ่อและแม่ ฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยฉะนั้นมารดาบิดาเนี่ยเขาจึงจัดว่าเป็นทิศทิศหนึ่งของเราก็คือเป็นทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องหน้าเนี่ยในกรณีที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับแม่บิดามารดาเนี่ยในฐานะที่บุตรถามว่าบุตรหรือก็ดีมารดาบิดาเป็นต้นก็ดีเนี่ยที่พึงปฏิบัติต่อกั น, นโดยเฉพาะก็คือว่า ในกรณีที่ว่าถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็พึงปฏิบัติต่อบดเลยท่านเลี้ยงเรามาใช่ไหมเออถ้าถ้าบุตรเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านเงี้ยช่วยเหลือกิจการงานดํารงวงตระกูลก็คือไม่ทําวงตระกูลให้เสื่อมเสียแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะเป็นทายาทที่ดีแล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศลักษณะของห้าประการนี้ก็แก่ว่าบุตรทิดาพึงปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ ให้สังเกตตัวนะว่าถ้าเราปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวคุณธรรมเกี่ยวนในเรื่องของภพวิหารหมายถึงลูกนะถ้าขาดเมตตากรุณาเมตตาและอุเบกขาในการที่จะปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ก็เสียหลักการเลยตอนนี้ภาคปฏิบัติการออกมาในการให้ก็ดีในการพูดกับพ่อกับแม่ก็ดีในการประพฤติประโยชน์ก็ดีก็จะเสียหายทันทีหรือพ่อและแม่ในฐานะที่เป็นมารดาบิดาเนี่ยต้องอนุเคราะห์หรือปฏิบัติตบุตรเนี่ยเช่นการห้ามปราม ให้บุตรทีดานี่ไม่ให้ทําความชัว่วแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในเรีรธรรมเป็นต้นเหล่านี้ยดูแลฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีให้มีคุณธรรมทั้งหลายให้ศึกษาศิลปวิทยาเป็นต้นแล้วก็เป็นทุระเมื่อถึงคราวที่บุตรนั้นจะมีคู่ครองเป็นต้นเหล่านี้ยประการสุดท้ายก็คือว่าเมื่อถึงกวาระสําคัญที่สุดก็คือว่ามอบทรัพย์มอบมรดกให้ในการอันควรเนี่ย ให้สังเกตตัวการที่มารดาบิดาและก็บุตรทิดาพึงยากธรรมต่อกันแล้วพูดถึงในเรื่องของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก่อนให้สังเกตดูวนะว่าถ้าพ่อแม่ไม่ฌานฉลาดไม่สามารถเดินพลมิหานี่ชัดเช่นด้านความรู้สึกถ้าเอาความรู้สึกที่เป็นตัณหาความรู้สึกที่เป็นโทสะความรู้สึกที่เป็น ความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายเหล่านี้เอายกตัวอย่างเช่นเนะ่ยเอิดพ่อและแม่เป็นต้นเนี่ยหน้าที่จริงๆเ่ยห้ามปรามป้องกันนะเมื่อจะเลี้ยงบุตรเนี่ยต้องห้ามการป้องกันเนี่ยต้องแยกแยะรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นความดีต้องแยกให้ชัดพอพูดถึงดีกับชั่วเนี่ยพูดถึงสิ่งดีและไม่ดีเนี่ยโอ้โหคุยกันตายเลยถ้าพ่อแม่ไม่ชัดพ่อแม่ไม่รู้จักพระมิหารพ่อแม่ไม่รู้สังขาวัตถุ พ่อแม่ไม่รู้จักกุศลถกุศลนี่เสียหายเลยแต่เนี้ยยกตัวอย่างนะว่าถ้าพ่อแม่ไม่รู้ว่าเมตตาเนี่ยคืออะไรกรุณาคืออะไรมุทิตาคืออะไรเปกขาคืออะไรเนี่ยเวลาลูกเนี่ยเวลาลูกประสบปัญหาเราก็จะ ก, กรุณาใช่ไหมถ้าลูกเนี่ยทาในยามที่ลูกปกติเราเมตตาในยามที่ลูกเนี่ยประสบปัญหาชีวิตเรากรุณา ในยามที่ลูกนีป่ประสบความสำเร็จในชีวิตเรามุทิตาแล้ววาลานไหนควรอุเบกขามองไม่ออกโดยส่วนใหญ่พ่อแม่โดยมากก็เลี้ยงลูกก็บนเปลอลูกหมดเลยก็คือว่าเอาเมตตาเมตตาเมตตาลูก ม, มีปัญหาชีวิตก็โอ้โหกรุณาการุณาพื่อเพื่อทําผิดก็ยังกรุณาอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนี่มไหมหรือพลอยยินดีก็ โ, โห้ทำทำดีนิดหน่อยกรุณาพเพื่อเพื่อมุทิตาจนเสียหาย อุเบกขาแทบไม่ใช้กับลูกเลยเนี่ย น, นี่คือปัญหาฉะนั้นถ้าหากว่าพ่อแม่ที่เป็นเนี่ยกรณีแห่งการที่จะใช้ปัญญาในการอบรมลูกเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางนั้นจะต้องแนะนำลูกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และ ไ, ไม่เป็นประโยชน์ต้องชีนน้แนะให้ลูกได้เข้าใจพ่อแม่ต้องรู้ว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาป เห็การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมทั้งหลายการพูดเทศสอเสียดคําหยาบและเพื่อเจอือพ่อแม่ต้องต้องชัดเจนในเรื่องตรงนี้แล้วทีนี้พ่อแม่ต้องมีคุณธรรมในใจแล้วก็ต้องปฏิบัติต่อลูกได้อย่างถูกต้องทันต่อสถานการณ์ให้ทันต่อสถานการณ์เนี่ยในอิปวาระา ท, ที่ต้องการอยากให้ลูกเนี่ยอต้องขนขวายฝึกฝนพัฒนาตนเองก็วางใจเป็นการเพ่งดูเฉยแล้วก็ ถ้าลูกกระทำผิดใดๆทั้งหลายก็ให้ลูกเนี่ยได้รับผลการกระทำนี้เป็นต้นเนี่ยตามสมควรแก่เหตุแล้วก็ชี้เหตุที่ผลให้ลูกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เราจะเห็นชัดว่าพ่อแม่เมื่อขาดพรอมวมิหารเวลาไปให้แก่ลูกวาระไหนควรจะให้มิตรด้วยเมตตาวาระไหนควรจะให้ด้วยกุณนาวาระไหนควรจะให้ด้วยมุยทิตาแยกไม่ออกไม่ชัด แล้วก็วาระไหนที่ควรจะร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกทําตนเสมอต้นเสมอปลายกับลูกแล้วก็รักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาให้ถูกต้องดีงามทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไม่ทําให้เสียหลักการไม่เสียทําให้เสียหลักการสามารถเข้าไปนั่งในใจลูกได้ด้วย ห, หลักการตรงนี้ก็เป็นหลักการที่พ่อแม่นอกจากว่าห้ามปรามลูกไม่ให้ทำชั่วสังเกตดูวนะเวลาห้ามปรามเนี่ยโอ้ยแล้วก็พูดด้วยความโกรธบ้าง บางทีก็พูดด้วยความด้วยตัณหาบางเราไม่รู้เลยว่าในขณะที่เราเปล่งวาจาไปเนี่ยใจเรากโกรธใจเรามีมเมตตาจริงหรือกรุณาผู้ริตาจริงหรือเปล่าเราสอนลูกบางคนจะสอนลูกได้แต่ละทีก็ตอนโกรธจนลูกแยกไม่ออกว่าไอ้บ่นกับสอนเนี่ยมันคืออะไรเพราะพ่อแม่ไม่สามารถเดินพ้วิหารและธรรมได้แล้วก็ในกรณีที่จะให้ลูกศึกษาศิลปวิทยาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะ บางทีก็จะบังคับว่าลูกต้องเรียนวิชานี้เท่านั้นอย่างเงี้ยแท้ที่จริงถ้าคนมีปัญญาในกรณีการสอนลูกก็ต้องบอกว่าวิชาการทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่สอนว่าลูกรักอยากจะเรียนอะไรก็ปล่อยตามใจลูกหรือแม่อยากจะให้ลูกเรียนอะไรก็ไปบังคับลูกให้เรียนเรื่องนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้แปลว่าเสียหายต้องบอกความจริงแก่ลูกบอกว่าลูกเอ๋ยเนี่ย การอยู่ในสังคมการอยู่ในโลกใบเนี้ยมันต้องรู้เรื่องอะไรเราต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไหมเราต้องรู้เรื่องกฎหมายนี่เกี่ยวกับเรื่องนิติศาสตร์ไหมเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาหากินไหมเราต้องรู้สังคมไหมเราต้องรู้โภชนาการไหมเราต้องรู้เรื่องของคณิตศาสตร์ไหมมันจําเป็นอย่างไรฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีความจําเป็นที่จะต้องรู้มันจะต้องเข้าใจในขณะที่เราจะต้องอยู่ในโลกใบนี้กับคนได้เนี่ย แต่ลูกจะรักวิชาอะไรเป็นพิเศษนั้นก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าสุดตรงที่จะรู้เฉพาะวิชานั้นอย่างเดียวแล้วก็แม่ก็ไปบังคับพ่อก็ไปบังคับว่าลูกต้องเป็นอย่างนี้ต้องเรียนโรงเรียนนี้อะไรต่างๆเหล่ า, านี้ก็เลยสร้างค่านิยมเพราะเรามีอะไรมีอคติมีชั้นทากติเช่นเรารักวิชานี้ชอบวิชานี้ก็พยายามพูดทุกวิธีทางที่จะให้ลูกเรียนวิชานี้ บางคนเรามีโทสาคติแล้วเกลียดวิชาแบบนี้เกลียดโรงเรียนนี้เกลียดบุคคล น, นี้ก็ผลักดันเพื่อจะให้ลูกเนะ่ยเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการบางทีเรามีโมหคติไม่รู้เรื่องรู้เล่าฟังอะไรมาได้จับฟังไม่ได้สับจับออกมาเกระเดียดก็บอกลูกมัว ม, วมัวอย่างเงี้ยบางทีเรากลัวจนเกินเหตุอย่างเงี้ยเพราะเรามีอคติเราก็เลยไม่สามารถที่จะสอนลูกได้อย่างมีปัญญาวางใจเป็นกลางไม่เอาความชอบหรือความชังของเราเป็นตัวตั้ง วางใจเป็นกลางในการที่จะบอกลูกให้หมดตามความเป็นจริงเ่เอาความจริงเอาความรู้ถ้าไม่รู้ก็ไปแสวงหาความรู้พูดไม่ได้ก็หาคนที่มีข้อมูลความรู้มาบอกลูกอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกคนชานฉลาดในการที่จะแนะนำลูกเพราะความที่ตนเองเป็นคนตั้งบนวิหารธรรมทั้งเมตตาวาละนี้ควรพูดกับลูกด้วยเมตตายามปกติ วาระนี้ลูกประสบปัญหาลูกกําลังทุกมีปัญหาพูดด้วยกรุณาวาระนี้พูดประสบความลูกประสบความสําเร็จพูดด้วยมุอทีตาหรือเวลาเนี้ยเราควรจะตนเองเข้าไปเสมอคําว่าเสมอกับโลูกนี่เสม อ, อยังไงเสมอไม่ใช่เสมอแบบแปลกแยกแต่เป็นการเสมอแบบเชื่อมประสานเช่นเสมอในสุขเสมอในทุกขคือร่วมสุขร่วมทุ ก, กับลูก เสมอต้นเสมอปลายวางต้นที่เหมาะสมแล้วก็เสมอแบบรักษาหลักการไว้เช่นไม่เลือกที่รักผักที่ชังเนี่ยนะแล้วก็รักษาธรรมะไม่ใช่ว่าทําตัวเสมอกับลูกลูกอยากสูบบุหรี่ก็ไปสูบกับลูกเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเสมอเพราะมันเสียธรรมะมันเสียหลักการที่จะเป็นเพราะปัญญามีเรารู้ว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่กระแสชีวิตไม่ใช่ว่าเข้าเมืองตาลิวิวตาตามชวนลูกกินเหล้าเนี้ย ชวนลูกสูบบุหรีชวนแล้วก็บอกลูกต้องทดลองมางกกว่านั้นเราเป็นคนต้องทดลองทุกอย่างนเนี่ยเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยปัญญาไม่ต้องไปทดลองเราของไม่ดีเนี่ยถ้างั้นต้องทดลองว่าลูกเอ้ยเนี่ยเนี่ยมีดเนี่ยมันลองเอาทิ่มท้องตัวเองดูนะทดลองหน่อยลูกจะรู้ว่าเจ็บเป็นยังไงมันไม่ต้องมันไม่ต้องไปทดลองของไม่ดีเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นความเป็น พ่อความเป็นแม่เนี่ยความที่ตนเองว่าในกรณีที่บอกว่าสอนลูกเนี่ยแนะนําให้ลูกเรียนศิลปวิทยาก็ต้องฉลาดว่าศิลปวิทยาต้องรู้การอยู่ในโลกใบนี้สมัยคัมภีร์การก็เรียน18ศาสตร์แต่ปัจจุบันนี้อาจจะเรียนไม่ไหวแต่มันต้องรู้พื้นฐานต้องเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นสุดโต่แล้ววิชาไหนที่ลูกเห็นว่าชํานาญหรือว่าชอบ อันนั้นก็เรียนให้เป็นกรณีพิเศษนั่นก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ ว, วิชาอื่นไม่รู้เพราะจะมองเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นแม้แต่กรณีแห่งการที่จะสอนเรื่องความดีความชั่วในการที่จะไปคบคนในในสิ่งต่างๆเหล่านี้ยพ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นพรหมใช่ไหมเป็นพระพรมของลูกก็แปลว่าคําว่าพ่อแม่เป็นพระพรมเนี่ยคืออะไรพ่อแม่นั้นต้องสามารถ เอาพรหมวิหาระธรรมมาประชมไว้ในใจและปฏิบัติต่อลูกได้ถูกท่วงทันต่อสถานการณ์เขาเรียกเป็นพระพรหมเป็นผู้สร้างลูกเป็นผู้อนุบาลลูกก็คือจะให้ลูกเป็นอย่างไรพ่อแม่ฝีมือของพ่อแม่ให้สังเกตดูนะว่าทุกวันนี้เราสร้างลูกบิดเบี้ยวหมดเลยกลายเป็นประหลาดประหลาดยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะลูกแต่ละคนที่ออกมาเน่นั่นแหละฝีมือของพ่อของแม่ ถ้าไปอยู่กับครูก็ฟีมือของครูไปอยู่กับเพื่อนก็นั่นแหละไปเชื่อมต่อปัจจุบันนี้หนักไปกว่า น, นั้นนี่ก็คือพ่อแม่แทบจะไม่สอนลูกเลยพอลูกโตขึ้นมาหน่อยก็เอา iPhone ให้เอา iPad ดให้นั่นแหละไอทีนี้มันก็พ่อแม่ทําลายชั้นนะทีนมันก็ดูเรื่อยเลยเด็ก <c oughs> ใช่ไหมไอเดิสิ่งมันมีชีวิตที่ไหนแล้วแต่ข้อมูลเขาให้ใส่ให้มาเด็กมันเห็นชอบตื่นเต้นอะไรก็ไปนั้นทั้งยิงกันทั้งฆ่ากันทั้งอะไรอู้ตายเลยทตนี้เด็กก็ไปเสพคุณ เนี่ยเขาเรียกว่าไม่แยกแยะเห็นไหมว่าอันแรกเนี่ยห้ามปามป้องกันบุตรจากความชั่วทีนี้ต้องรู้เลยนะว่าอะไรเป็นความชั่วต้องบอกลูกว่าไอ้ น, นี่ฆ่าเนี่ยเป็นความชั่วนะการลักเนี่ยเป็นความชั่วนะการกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นการประพฤติผิดในการการพูดเทเ็จส่อเสียดคำหยาบเพลช์เจอการเอาของมืนเมาใส่ในกระแสะชีวิตเนี่ย น, นี่เป็นความเสียหายนะแต่ใจเนี่ยในสภาพจิตใจอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียก ลำเอียงพรารักเป็นแบบนี้ต้องสอนลูกลําเอียงพราะโกรธเป็นแบบนี้ลําเอียงเพราะเขาไม่รู้เรื่องรู้ราว like เป็นแบบนี้กลัวเป็นแบบนี้ราคา is um ความกําหนัดเป็นอย่างนี้โทสะความโกรธเป็นงี้โมหะความหลงเป็นอย่างนี ja ้อย่างนี้เรียกว่ากายทุจริตอย่างนี้เรียกว่าจีทุจริตอย่างนี้เรียกมโนทุจริตแยกแยะให้ลูกได้เข้าใจถ้าแยกแยะไม่เป็นก็พาไปหาพระสงฆ์บ้างอะไรบ้างก็ว่าไปหาครูอาจารย์ที่เขาสามารถแยกแยะรายละเอียดได้เพราะเป็นพื้นฐาน สำคัญที่สุดตรงที่ว่าแยกแยะว่าอันนี้เป็นความดีเช่นอันนี้เป็นทานกุศลอันนี้เป็นศีลกุศล น, นี่เป็นภาวนาวกุศลอันนี้เป็นกายสุจริตเป็นอย่างนี้นะไม่ฆ่าไม่ลักไม่พื้นปิดในกามนี่ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้อนี่ใจที่เป็นไปกับไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นปัญญานะเมตตาเป็นอย่างนี้กรุณาเนี่ยแนะนําให้ลูกได้มีทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจนลูก ชาญฉลาดแล้วทีนี้จึงไปเรียนรู้วิชาการด้วยแล้วก็แนะนําลูกไปด้วยลูกก็เลยกลายเป็นคนที่วางท่าทีทางใจกับการไปศึกษาศิละปะวิทยาได้โดยไม่เครียดให้สังเกต ด, ดูนะว่าทําไมลูกไปเรียนวิชาการวิทยาการพากันเครียดเป็นแถวเป็นแนวพ่อแม่สอนไม่เป็นใช่ไหมสอนไม่เป็นนี่ถ้าเดินพรหมวิหารเจเป็นพ่อแม่เดินพรหมวิหารเป็นก็ถ่ายทอดผักพรหมวิหารได้ทำออกมาสู่ลูกให้ลูกมีพรหมวิหารประจําใจลูกจะเครียดไหม ไม่มีเลยอเอา้ายามอยู่กับครูไปปฏิบัติต่อครูนี่ยามครูปกติลูกก็เมตตาครูนะยามครูมีปัญหาชีวิต <c oughs> หนูก็กรุณาขวนขวายช่วยเหลือครูยามครูประสบความสําเร็จในชีวิตก็มุทิตาพอยินดีเอา้าในขณะที่ครูก็ทําหน้าที่หนูก็ทําตัวใจเป็นกลางพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวแล้วก็วางเาในกรณีลูกไปประพฤติเอ สังเกวัาถุ ก, กับกับครูอย่างไรก็สอนโอ้โหไปอยู่ที่ไหนใ ค, ใครก็รักนี่เป็นต้นมีไหมที่ไปเรียนหนังสือแล้วเครียดไม่มีหรอกมันน่าเครียดที่ไหนการเรียนเนี่ยใช่ไหมละ่ะโอ้โหมีแต่สนุกมีแต่มีความสุขใจก็ผ่องใสมันได้ความรู้มันได้ฝึกฝนพัฒนาฝึกฝนทักษะความรู้ศักยภาพตนเองเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถยังไปเครียดได้ยังไงไม่มีเรื่องเครียดเลยได้ความรู้มาทุกวันเราก็กลับมาก็ถามลูกวันนี้ลูกรู้อะไร เราให้พ่อฟังที่เราให้แม่ฟังที่ทก็นี่เอาตนเองเข้าไปเสมอสมานถ้าลูกบอกว่านี่วันนี้ขี้เกียจยังพ่อแม่แม่ทําการบ้านเนี่ยอดไม่ได้ผิดหลักการเสียธรรมะลูกต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองนะทำ ถ, ถ้าแม่ไปทําให้ลูกอย่างนี้นะเป็นว่าแม่จะทํำลายลูกนะเข้านะเข้ากลายเป็นว่าเสียหายเลยเดี๋นี้ลูกก็เลยกลายเป็นอ่อนแอลูกก็จะไม่เข้มแข็งลูกก็จะไม่ชานฉลาดฉะนั้นลูกต้องขวนขวายไม่เข้าใจแม่อธิบายให้ได้ แต่ว่าแม่ช่วยทําให้ไม่ได้ลูกนูกต้องทําเองต้องไปฝึกฝนต้องไปพัฒนาเองอันนี้เป็นข้อมูลความรู้ที่จะติดเนื้อติดตัวลูกโอ้มีความสุขทั้งบ้านมีความสุขเพราะเดินพรหมวิหารและทำกันได้อย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อให้การศึกษาศิลปวิทยาบอกหลักการในการให้ไปเรียนตรงไหนอย่างไรแล้วเป็นทุลัให้เวลาลูกโตขึ้นมาพ่อแม่เป็นทุละเออพ่อแม่ฉลาดเพราะพ่อแม่มีพรหมวิหารและทําเรียนรู้คําสอนพระเจ้าด้วย ฉลาดบอกว่าเออทําไมฮะเป็นธุระเรื่องคู่ครองไงบอกลูกเลยลูกเอ้ยลูกรู้ไหมว่าเนี่ยคนบางคนเป็นราคะจริตเนื้อกลุ่มพวกชอบโรแมนติกติ ด, ต ด, ต ด, ตดสวยๆงามๆมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยกลุ่มโทสะจริตกลุ่มนี้พวกขี้โกรธชอบรุนแรงตัดสินใจอะไรคมคา ม, คมนี่ว่าหงุดหงิดโกรธง่ายกลุ่มโมหจริตเป็นอย่างนี้นะลูกนะเป็นคนไม่แยกแยะดดูเหมือนจะอดทนแต่มึนๆงงๆอะ่ะเออ เหมือนสุนัขเนี่ยทำไมคนขี้โกรธถึงเลี้ยงสุนัขเลยลูกไอ้คนขี้โกรธมันเลี้ยงสุนัขก็เพราะว่ามันเล่นจะเล่นกับสุนัขสุนัขทนอารมณ์มันได้นี่เป็นต้นไหมเนี่ยพวกเพลินพวกเหงาพวกอะไรทั้งหลายก็สุนัขมาเลี้ยงเพราะโมหะจริตมีมีกําลังนี้เป็นอ่าแล้วพวกพวกวิตกจริตเหรอพวกนี้โอ้ยวิตกกังวลตลอดเวลาไอ้พวกศรัทธาจริตพวกนี้พวกเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในหลักการเชื่อมั่นในคุณธรรม แล้วพุท ธ, ธิจริตเป็นยังไงยานจรลิตพวกนี้ชอบเพียรชอบผลเอางี้นะว่าหนูต้องสังเกตว่ามนุษย์เรามันมีหลายจลิตฉะนั้นเวลาจะเลือกคู่ครองเนี่ยต้องเลือกคนประเภทไหนบอกข้อมูลให้ลูกเบ็ศเสร็จหมดถ้าคนมีพวกตันหาจลิตพวกมีราคะจลิตเป็นแบบนี้โทสะจริตเป็นแบบนี้โมหะจลิตเป็นแบบนี้แต่พอมาเรียนรู้ เรื่องศรัทธาเรื่องปัญญาขึ้นมาแล้วมันเป็นจระิตผสมเป็นยังไงเนี่ยบอกวิธีการทั้งหมดฉะนั้นถ้าหนูอยู่กับคนแบบนี้อะไรจะตามมาหนูอยู่กับราคาจระดิษฐ์แรงๆเป็นแบบนี้นะอยู่กับโทสะกระดิษฐอยู่กับโมหะอยู่กับวิตกอยู่กับศรัทธาพุท ธ, ธิบอกรายละเอียดทั้งหมดนี่คือพ่อแม่ฉลาดแล้วก็บอกว่าถ้าหนูรักคนนี้ชอบคนนี้หนูก็ต้องยอมรับในในจุด ด, ด้อยของเขาจุดเด่นคืออย่างนี้จุดด้อยคืออย่างนี้ ยกตัวอย่างนะมันก็มีนะราคาจริตเนี่ยจุดด้อยเขาก็คือชอบยึดติดชอบเพลิดเพลินชอบสวยๆ ง, งามๆชอบสีสวยๆกลิ่นอหอมรอร่อยอร่อยนี่นี่คือคือจุดด้อยเขานะว่างั้นอะไปดูอะไรก็เพลินอยู่ในเรื่องนั้นไม่ค่อยอยากจะจากจะชอบอะไรกันมาโอ้โหอะไรอวรแล้วแล้วจุดเด่นของเขา่โรแมนติกไง <laughs> ลกูก โอ้สึกว่ามันมันมันรู้สึกมันคามันมันไปอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแหมมันมันเพลิดเพลินไอ้นี้มันเห็นมันก็จะมีทั้งจุดจุดด้ยจุดเด่นอันแล้วโทสะลโอ้โหโทสะเนี่ยประเภทที่โกรธขึ้นมาแล้วร้ายกาดบางทีห้ามตัวเองไม่อยู่ที่ก็าูนหุนหันพันแล่นโกรธแล้วเครียดง่ายแล้วจุดเด่นล่ะ จุดเด่นตัดสินใจเร็วไม่ค่อยลังเลปุ๊บๆเลยถ้ถูกก็ถูกเลยผิดก็ผิดเลยก็มีมันก็ดีบางทีก็ต้องการการตัดสินใจบางทีมันก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่าแล้วโมหจะจริตเลยจุดด้อยจุดด้อยก็ซึมไม่แยกแยะใครว่าดีก็ดีเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีแล้วจุดเด่นล่ะเ อ, เอาไว้บ่นแก้กุม้มลูกบ่นยังไงมันก็ไม่ค่อยโกรธเราเพราะมันโมหะไมาแ่แรงฉะนั้นถ้าถ้าคนขี้โกรธเนี่ยมันแก้เหงาได้ ไปอยู่หน้าตรงไหนเขามีแยกแยะแล้ววิตกจริตล่ะจุดจุดด้อยก็อยู่ตรงไหนโอ้โหจุดด้อยก็คือว่าเป็นคนที่คิดวกวนสับสนแล้วก็เป็นคนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟลูกรู้ไหมเป็นยังไงกลางคืนเป็นควันก็หมายความว่าโอ๊ยกรุ่นกลางคืนพอกลางวันโอ้ยไปเหมือนไฟไหม้ทุ่งป่าป่าปป่ปใหญ่เลยเด็กนี่แล้วก็นี่จุดด้อยแล้ว <derni> จ <ers> <sh> bon ุดเด่นจุดเด่นยามป่วยนะก็ดูแลเราดี ขังวนเรากินนั่นกินนี่ไอ้ศรัทธาจริตแหละศรัทธาจริตก็คือเชื่อมั่นโอละจุดจุดจุดด้อยถ้ามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวมีจุดด้อยนะเช่นบางทีไปเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดขึ้นมาบางทีก็หูเหมือนที่ทีแรงครับแล้วลจุดจุดดีตรงไหนจุดดีก็ตรงที่บางทีเราขาดความเชื่อมั่นเราไว้ใจเขาได้พระทัยจริตละ่ะ โอ้ยบางทีถ้าเป็นพุท ธ, ธิแบบประเภทคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วเป็นวิจัยแยกแยะมากจนเกินไปการตัดสินใจเลยช้าอันเป็นอาจเป็นจุดด้อยได้จุดเด่นก็คือเราต้องการเหตุผลแล้วได้เขาหาขอ้ขอมูลให้เราอย่างดีเลยอย่างนี้เป็นต้นกใ็ให้ลูกได้คิดนี่ก็เรียกว่าเห็นไหมว่าโบราณเขาทำไมถึงว่าพ่อแม่เอ่อ ทำไมต้องหาคู่ปกครองให้ลูกที่จริงก็คือแนะนําเมื่อแนะนําทั้งหมดแล้วลักษณะคนแบบนี้เป็นจริตแบบนี้ก็ลักษณะคนแบบนี้เป็นเจริตแบบ น, น, บบ น, น, บบนี้แล้วก็ให้ลูกเลือกเมื่อลูกเลือกแล้วลูกต้องยอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจนั้นลูกนึงถ้าพูดงี้ชัดเลยเพราะจะเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเอาอันนี้คือพ่อแม่พึงปฏิบัติต่อลูกนี่เรื่องยาวฉะนั้นการที่เราจะเดินพรมิหารและธรรมเนี่ยสําคัญมาก พ่อแม่เป็นผู้อันสร้างเป็นพรมเนี่ยก็คือสร้างโลกสร้างโลกและสร้างลูกจะให้ลูกเป็นอยาน่างไรอยู่ที่พ่อแม่น่าเสียดายว่าถ้าใครรู้บทคำสอนของพระพุทธเจ้าในด้านพรเมียฐารแล้วสามารถฝึกใจตนเองจนเป็นพลเมียฐารได้มีปัญญากํากับได้จนชัดและผักมาเป็นสังขารวัตถุปฏิบัติต่อลูกได้ถูกต้องโอ้ยครอบครัวมีความสุขทีนี้ลูกก็เพึงปฏิบัติต่อพ่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบโอ้โหนีชัดเลย ถ้าลูกเนี่ยไม่เข้าใจไม่มีพระมหาธรรมจะเลี้ยงยังไงเนี่ยจะเลี้ยงพ่อแม่ยังไงช่วยทากิจก็ช่วยทากิจตามความรู้สึกเช่นรู้สึกบางทีให้สังเกตดูนะแม่ไอ้ลูกที่ดูแลแม่ดูแลพ่อเนี่ยเห็นชัดถ้าใช้ความรู้สึกเช่นความรู้สึกว่าเป็นไปกับท่านหาเป็นไปกับโลภะก็ยึดติด ว่าต้องให้พ่อแม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็ไปอ่านอะไรมาไปเรียนรู้อะไรมาก็แข็งทื่อร่องลึกแล้วแข็งทื่อเช่นไปหาหมอมาแม่เป็นเบาหวานแม่เป็นความดันแม่เป็นไขมันโอ้โหเนี่ยโรคโรคฮิตนี่แหละโรคเป็นแม่เป็นเกา <c oughs> <c oughs> ยยมแม่มานี่ยเป็นโรคเกาแล้วแล้วก็สมองเริ่มฟอโอ้โหทันีตายแหลงานนี้ เ อ, อ้แต่เนี่ยคนแก่แบบนี้ทําไงเลี้ยงตอบทําไงดีเนี่ยแล้วก็เอาหลักการของหมอมาแล้วก็วางตารางขีดว่า แ, แม่ต้องอย่างนี้เท่านั้นแล้วก็เครียดโกรธอัดกันกับแม่แม่ไม่เป็นอย่างใจก็โกรธเห็นไหมแม่ทําถูกใจก็ดีใจแล้วบางทีก็กลัวแม่จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โว้ตกกังวลตลอดเวลาเลยแต่เนี่ยเครียดเหลือเกินอยู่กับแม่เครียดเหลือเกินว่างั้นเ น, นี่เลี้ยงแม่ แล้วก็ขัดแย้งกันอยู่ยังไงตลอดเวลาเลยเนี่ยเลี้ยงกันตอบทํากิจก็เหมือนกันทำกิจธุระของพ่อแม่ก็ทําด้วยความเครียดความวิตกกังวลเพราะทําด้วยความรู้สึกนําำลงวงตระกูลกลัวตระกูลจะเสียหายต้อการสืบทอดตระกูลก็สืบทอดตระกูลด้วยความวิตกกังวลบางทีไม่อยากจะดําลงเลยไม่อยากจะสืบทอดวงตระกูลเลยอยากจะไปเที่ยวเตะเฮฮาอยากไปทําอะไรเสียหายทําไม่ได้ก็กลัววิตกกังวลเนี่ยแล้วก็ ประพฤติตนให้เป็นทายาทที่ดีก็ประพฤติด้วยความเครียดแค้นประพฤติด้วยความทุกข์ประพฤติด้วยความกลัวแล้วก็เวลาท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เป็นแบบเนี้ยลูกเป็นแบบเนี้ยลูกที่ปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นกันอย่างนี้เนี่ยนี่เพราะอะไรรู้ไหมลูกไม่ไม่มีพรหมวิหารใช้พรหมวิหารไม่ถูกอายกตัวอย่างจะใช้ถูกจะใช้ยังไงอายกตัวอย่างเลยนะท่านที่มีแม่ มีพ่อที่ลูกๆเพึงจะปฏิบัติหรือเราที่พึงปฏิบัติต่อพ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วแล้วเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ยังไงถ้ามีปู่ตาญายายนะอาที่เราจะต้องเลี้ยงดูและปฏิบัติหรือพี่เป็นต้นเนี่ยอันเดียวกันนะสองข้อได้ก็เพึงปฏิบัติบุคคลที่เราเคารพในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่จะทําอย่างไรถ้าพ่อแม่ป่วยดังที่ได้กล่าวหลักการของความที่ บุคคลที่ประพฤติพรหมมิหารได้ถูกต้องยามแม่ปกติยามพ่อแม่ปกติเมตารักปรารถนาดีเอื้อทอนให้ดูแลด้วยเมดูแลด้วยเมตตาใช่ไมเช่นเอาเสื้อผ้าไปให้แม่เอาอาหารไปให้แม่ไปนวดฟันไปดูแลทั้งหลายก็แล้วแต่ทำด้วยกายเนี่ยเนี่ยเมตตาก็คือให้ให้ด้วยเมตตาให้ด้วยเมตตา ทีนี้ยามแม่ปกติก็พูดกับแม่ได้ได้เมตตาพูดด้พูด ด, พ ด, ด้เมตตาแล้วก็ประพฤติประโยชน์ขวนขวายช่วยยกของช่วยทํากิจกรรมทั้งหลายอะไรนี้เป็นต้นอะไรเนี้ยถูบ้านดูและก็ประพฤติประโยชน์ด้วยได้ดเมตตามีใจรักปรารถนาดเีเวลาซักผ้าให้แม่ซักไปก็รักนะใจก็เป็นไปกับเมตตายามที่แม่ปกติใช่ไหม ซักแม่จะเห็นหรือไม่เห็นมีความสุขหรือเกินในการที่กระทํามีใจรักปรารถนาดีว่าแม่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม่จะได้เสื้อผ้าที่ดีแม่จะได้ที่นอนที่ดีแม่จะได้เครื่องนุ่งห่มที่ดีแม่จะได้อาหารที่ดีพิจารณาในรักแบบไหนงี้ไปใจก็เป็นไปกับเมตตาแล้วก็ทําำมีความสุขในการทําเป็นการปฏิบททัติธรรมในชีวิตจริงเป็นแบบนี้นะนี้เป็นต้นในกรณีที่แม่ประสบปัญหาชีวิต ป่วยอย่างที่บอกว่าเนะี่ยทั้งเบาหวานความดันไขมันโรคเกาต์สมองฟอเอาและกรุณาอะไรแต่เนี้ยทําได้กรุณาเวลาทําได้กรุณาเดี๋ยเอาแล้วกรุณาสงสารทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าไอ้กรุณาต้องเป็นกรุณาทแท้นะถ้าการุณาเทียมในขณะที่ทําไปเห็นแม่ความดันขึ้นเห็นแม่เบาหวานขึ้นเห็นแม่ไขมันขึ้นโอ้โหแต่เนี้ยทอมนัทกินแล้วเนี้ย เห็นไหมทมานัตกินแล้วไอ้ ก, กรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าประพฤติกรุณาเทียมกรุณาเทียมแท้จริงหนึ่งการไม่ลิศเสไ ม, ไม่ไม่คิดเบียดเบียนแม่ถูกต้องเป็นกรุณาแต่ว่าช่วยแม่ไม่ได้ทมนัตอันนี้เป็นกรุณาเทียมไม่ใช่กรุณาแท้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้แม่กินข้าวตามที่หมอบอกกินยาตามที่หมอบอกใช้ชีวิตตามที่หมอบอกแต่แม่ไม่ทํา แม่จะทําตามความรู้สึกของแม่ก็โทมนัตโกรธอีกน้อยใจอีกเป็นกรุณาเทียมเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วไม่ได้ถามว่าแล้วแล้วเลี้ยงท่านตอบยังไงเนี่ยมันได้แต่ทางกายมันได้แต่ทางพฤติกรรมและพฤติกรรมก็กระทําต่อท่านไม่ถูกด้วยมันถูกผักมาจากกรุณาเทียมคือโทมนัตมันถูกผักมาจากโทษาด้วยบางทีบางทีคิดจะเบียดเบียนท่านก็มีนะบางทีอกุศลก็เกิดขึ้นก็เบียดเบียนเงี้ยนัเข้านะกเข้าก็ ไม่ได้เลี้ยงท่านตอบที่เป็นธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมกับท่านและก็เป็นปัญหากันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเต็มไปหมดเลยที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่าเอาไปไปขั้นของเมตตาโอ้ในเอิญเข้าไปพอแม่เป็นปกติเนี่ยก็รักแม่รักแบบราคะซะอีกเป็นเมตตาเทียมซะอีกรักแบบราคะก็คือว่าอูยอัตตาตัวตนสําคัญว่าแม่เราเป็นของของเราโอ้ยยึดมั่นถือมั่นมีความเห็นผิด อย่างนี้เป็นตนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงคุณธรรมคือเมตตาจริงๆแล้วก็เป็นการให้เป็นการเป็นการพูดเป็นการกระทําประโยชน์ด้วยเมตตาและกรุณาเนี่ก็พลาดเอาทีนี้พอไปตรวจผลของแม่ดีขึ้นอาการดีขึ้นโอ้มมติตากลายเป็นดีใจนยะว่าตนได้ประโยชน์ดีใจแล้วโอ้เนี่ยเกิน กลายเป็นมุอิตาเทียมอีกฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะว่าอีกตัวนี้หลักการทีนี้เอาแล้วที่เนี้ยถ้าเราไปเจอกับแม่จะบอกยังไงพ่อบอกยังไงไม่ทำตามหลักการเราควรกโกรธใช่ไหมเราควรโทมนัสใช่ไหมเราควรเครียดใช่ไหมไม่ใช่เรามาใช้ข้อไหนใช้อุเบกขาอุเวขาไม่ใช่เฉย เ, ฉยเมยนะเฉยแล้วมองเฉยมองแล้วต้องอยังไง ต้องเอาตนเองเข้าไปเชื่อมประสานทำสมาณตาตาวางตนเสมอตนเสมอไปเสมอในสุขเสมอในทุกร่วมสุขร่วมทุกข์กับแม่และบอกแม่บอกยังไงเอาเห็นไหมเวลาปัญญาเกิดขึ้นอุเบกขาการวางใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นไม่มีอคติแล้วไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะโกรธไม่ลำเอียงเพราะไม่รู้ไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะเข้าใจความจริงของโลกและชีวิตแล้วแต่เนี้ย ก็บอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่กินยาก็ไม่เป็นไรนะอธิบายแม่ฟังว่าแม่อันนี้เป็นยาที่หมอบอกอันนี้ยาแก้ความดัน ย, ยาแก้เบาหวานยาแก้ไขมันอันนี้เป็นยาแก่สมองปอดหมอต้องให้กินเวลาตอนเช้าหลังอาหารก่อนอาหาร แม่ต้องกินอาหารแบบนี้นะอาหารแบบนี้มีไขมันมากอาหารแบบนี้ทำให้ความไอพวกแป้งมากไขมันมากคาร์โบไฮเดรตมากอาหารแบบนี้มันเผ็ดเลยต่างๆยังจะทดเพิ่มความดันเป็นต้นเหล่านี้แม่ต้องกินอาหารรดจืดอย่างนี้อย่าง น, างนี้นี่คือหมอบอกอย่างนี้แล้วตามความเป็นจริงก็ควรจะเป็นแบบนั้นแต่เข้าใจนะแม่นะแม่ก็ไม่อยากกินแล้วเพราะแม่เคยกินเคยติดรถอาหารนี้มาทั้งชีวิตใช่ไหมแม่หนู ผมฉันเข้าใจแม่ดีนะฉันรักแม่ฉันยอมรับในสิ่งที่แม่จะเป็นแต่จะบอกอธิบายขอเวลาอธิบายแม่ฟังนะแม่นะอธิบายให้ฟังทุกอย่างใจเนี่ยอยากให้แม่อยู่กับฉันนานๆอยู่กับผม น, นานๆอยู่กับลูก น, นานๆเพราะรักแม่มากแต่ก็ยอมรับการตัดสินใจของแม่ถ้าแม่ปรารถนา มันทนไม่ไหวจริงๆแม่จะกินแบบนี้จะใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตของแม่ก็จะโทมซุดลง dictator, เรื่อย ๆ, ๆหนูก็จะทำไงได้หนูรักแม่ก็จริงแต่หนูก็ต้องวางใจเป็นกลางมันเป็นไปตามเหตุผลถ้ากินอาหารประเภทนี้ไขมันก็ต้องขึ้นกินอาหารประเภทนี้เบาหวานก็ต้องขึ้นกินอาหารประเภทนี้ความดันก็ขึ้นๆกินอาหารประเภทนี้มันไม่ดีต่อร่างกายมันเรื่องเหตุผลนะแม่ มันก็ต้องช่วยแค่ยาอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องขวนขวายช่วยหนูชั้นผมช่วยแม่ก็คือบอกข้อมูลไปเสร็จแต่จะให้ไปเครียดไปวิตกกังวลไปอะไรต่างเนี่ยผมปฏิพฤติปฏิบัติผิดหลักการของพระธรรมผมต้องตั้งมั่นอยู่ในธรรมวาแล้ที่แม่ใช้ชีวิตแบบเนี้มันก็จะต้องเจอปัญหาชีวิตแล้วก็สถานการณ์ก็แย่ลงร่างกายก็ทรุดโทรมลงทรุดโทรมลง ผมต้องวางใจเป็นกลางมองเห็น เ, เป็นไปตามเหตุผลของหลักการนั้นนั้นว่าเออเมื่อแม่ให้เหตุปัจจัยแบบนี้ร่างกายก็ต้องสุดโซมเป็นธรรมดาแม่เบื่อตัวเองใช่ไหมแม่เบื่อหนูใช่ไหมแม่ไม่อยากอยู่ใช่ไหมบอกอยากอยู่แต่มันทนความหิวไม่ได้ใช่ <c oughs> ก็บอกเหตุบอกผลเมื่อบอกเหตุบอกผลเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วก็วางใจเป็นกลางแล้วก็ปฏิบัติต่คุณแม่ได้ถูกต้องดีงามเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบเลี้ยงได้ถูกด้วยความ ถ, ถูกต้องดีงามใช่ไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นต้นช่วยทำกิจธุระก็เหมือนกันกิจการทั้งหลายที่แม่ทำไว้ของท่านเช่นแม่เคยทาเคยซักผ้าได้แม่เคยถูบ้านได้ แม่เคยทํากิจการทําอาหารได้ต่อมาแม่ทําไม่ไหวพ่อทําไม่ไหวนี่แหละลูกเข้ามาทําหน้าที่โอ้พอทําไปแล้วมีความสุขถ้าทําไปก็เครียดไปวิตกกังวลไปชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างกิจการทั้งหลายเหล่าเนี้ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าไม่มีพรหมวิหารและทำถ้ามีพรหมวิหารโอ้ชัดเลยในยามแม่ปกติทําด้วยอะไรเมตตาตอนนี้สถานการณ์แม่ไม่ดีก็ทํำด้วยกรุณา ขวนขวายในการทำกิจกรรมของแม่แม่จะได้เบาแรงของแม่แม่จะได้ไม่ต้องบอวิต ก, กังวลบอกแม่ไม่ต้องกังวลนะหนูยังอยู่ทั้งคนผมยังอยู่ทั้งคนถ้าผมทำไม่ได้ก็หาคนมาช่วยทำนั้นขวนขวายทำเต็มที่ผมรักแม่ฉะนั้นแม่ต้องมีกำลังใจแม่ต้องอยู่นานๆ น, นะเป็นหลักเป็นหลักเป็นเป็นหลักในกรณีแห่งการที่ว่าจะได้ผมหรือชันหรือหนูจะได้ ได้บุญจากการอุปถัมภ์แม่ให้นานที่สุดดูแลให้นานที่สุดยิ่งทําดีกับแม่มากเท่าไรเดินพรมิหารถูกประพฤติสังขารวัตถุปฏิบัติด้านจารีสีนกับแม่ได้ถูกโอ้โหกุศนก็เกิดกันหนูบุญก็จะส่งผลชีวิตของหนูก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยกระตันยูกระตาวีธีนี้เป็นต้นเนี่ยเขาอกดำลงวงตระกูลก็คือว่าแม่สบายใจหนูจะทําวงตะกูลเนี่ยไม่เสื่อมเสียแล้วก็จะสืบทอดนะ หนูมีสามีหนูมีเออผมมีผมมีภรรยาหนูมีสามีอะไรก็แล้วแต่ก็จะสร้างทายาทสืบทอดวงตระกูลและทายาทนี่นะที่จะสร้างนะจะต้องสร้างทายาทที่มีศักยภาพถ้าเราสร้างทายาทมีศักยภาพมากกว่าพ่อืออน้อยกว่าพ่อกับแม่เขาจะอยู่โลกปัจจุบันได้ยังไงโลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ ถ้าศักยภาพเสมอพ่อเสมอแม่อยู่กับโลกในปัจจุบันนี้ได้จะอยู่ในโลกอนาคตไม่ได้ฉะนั้นหนูจะต้องสร้างทายาทแล้วก็จะเป็นทายาทที่ดีเพิ่มศักยภาพตัวเองให้ใหเด่นให้มีศักยภาพมากกว่าพ่อแม่และเวลาจะสร้างทายาทสืบทอดวงตระกูลก็จะสร้างทายาทที่มีศักยภาพทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้มีศักยภาพมากกว่าพ่อกแม่โอ้โหจะพูดอย่างนี้พ่อแม่ชื่นใจพ่อแม่ก็ชื่นใจฉะนั้นะจะไม่ทําวงตระกูลให้ขาดอย่างเด็ดขาด แล้วก็ข้อสุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับทําบุญอุทิศให้เห็นไหมว่าวเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราก็ยังทํากิจการของท่านได้อยู่ดำรงวงศ์ตระกูลได้อยู่ประพฤติตนให้เป็นทาญาทที่ดีประพฤติตนในฐานะเป็นทาญาติที่ดี ท, นน ท, าาทําได้หมดกระทําได้ถูกต้องดีงามและท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้จะทําไม่ได้อยู่ข้อแรกท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อตอนนี้ทําไม่ได้เพราะท่านตายไปแล้ว แต่ในขณะเดียวกันกิจการที่จะต้องยึดโยงกับคุณพ่อคุณแม่ถึงแม้ว่าท่านตายไปแล้วก็ยังต้องยึดโยงอยู่ในเช่นทําถ้าท่านมีธุรกิจใดๆมีกิจการใดๆที่เราจะสืบสารต่อก็ทําวงตระกูลทั้งหลายเราไม่ให้ขาดตอนเราสร้างทายาทแล้วก็ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การที่ได้รับมรดกหรือเป็นทายาทที่ดีก็ทําตนให้เหมาะสมให้เหมาะสมและให้ดียิย่งๆขึ้นไปแล้วท่าน่วงลับก็ทําบุญทุกวันทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลก็อุทิศส่วนกุศลให้เนี่ย เป็นเป็นตานยึดยองฝึกตนเองให้อยู่ในพรหมิหารได้ถูกต้องดีงามไม่ใช่ว่าท่านตายไปแล้วนึกถึงท่านก็ร้องไห้เสียใจมันจะไม่มีเลยนะจะพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตอนอุเบขาทํางานได้ชัดมากแม่พ่อแม่ตายก็ถือเป็นปกติธรรมดาของสัพพสังขารทั้งหลายที่จะต้องมีการเกิดการตายเป็นเรื่องธรรมดาเนี้ยเข้าใจความเป็นไปของชีวิตโดยชนิดที่ว่า รู้และเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรฉะนั้นการที่เราสามารถฝึกพรหมิหารในใจก็ได้จะสามารถสงบอยู่คนเดียวก็เดินพรหมิหารในข้อเมตตาก็ได้ในข้อกรุณาก็ได้ในข้อมุทิตาก็ได้ในข้อเบกขาก็ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนนและสามารถที่จะขับออกมาเป็นสังอาวัตถุแล้วปฏิบัติต่อบุคคลรอบข้างมีพ่อแม่ลูกๆเป็นต้นให้ถูกต้องดีงามายกตัวอย่างนะว่า ถ้าเราจะแผ่เมตตาให้กับตนเองแผ่ยังไงในเอกเมตตาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ปกติใช่ไหมเออใช้ในสถานการณ์ปกติเราก็คิดตนเองในฐานะที่เป็นปกตินี่แหละแล้วยก็อยู่เป็นปกติเนี่ยในวาระอย่างเนี้แล้วก็มีความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนเรารักตนเองใช่ไหมทำไมเรางดเว้นจากการฆ่า ใจที่เป็นไปกับกรุณาและเมตตาเพราะเรารักตนเองเมตตาตนเองเราเจตนาที่งดเว้นจากการรักและมีจัดใจปราถนาที่จะให้และแบ่งปันเพราะเรารักตัวเองเราจึงไม่ทาบาปไม่ไม่เอากระแสชีวิตตัวเองไปทำบาปเราไม่ประพฤติผิดในการเพราะเรารักตนเองเราไม่เอาวาจาไปกล่าวเทจต่อเสียดคาหยาเพื่อเจือกอเพราะเรารักตนเอง เราไม่ทําความโลภความโกรธความหลงให้เกิดขึ้นในใจเราทํากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเราไม่ทําบาปไม่ทําอกุศลทั้งหลายก็เพราะรักตัวนี่แหละฉะนั้นพราะรักตัวอย่างนี้เราก็แพ่ไม่ตีจิตรักปรารถนาดีให้กับตนเองว่าขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตฟองร้ายเบียดเบีย น, ยนซึ่งใครๆ ขอให้ข้าพเจ้าย่อมีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนในี่พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดเนี่ยการที่แผ่ความมีเมตตาจิตแล้วทําจิตให้อ่อนทําจิตให้อ่อนโยนเหมาะควรแล้วเนี่ยจิตให้เบาจิตให้อ่อนจิตให้ควรต่อการงานเป็นกุศลแล้วคล่องแคล่วแล้วเนี่ยซื่อตรงแล้วก็น้อมจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคจิตที่มีของเสียแพ่ไม่ตีจิตให้กับตนเองอย่างอย่างแท้จริงอย่างนี้เขาเรียก แผ่เมตตาให้ตนเองแล้ววาระไหนจะแผ่กรุไาให้ตนเองแผ่ได้ตอนนี้แหละพิจารณาอย่างไงมองเห็นสภาพของกระแสชีวิตของเราที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องวิบติพัดพลากต้องประสบปัญหาชีวิตเนี่ยงั่นเราจะต้องเกิดเผชิญกับชาติทุกชาทุกพญาทุกมรณะทุก เ พ, พระเผชิญกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยปัญหาการทํามากินหูความทุกข์ที่จะต้องดิ้ น, น, น, น, นาารนกระเสาะกระแศเนี่ยมันน่ากรุณาเนีเนี่ยก็ตั้งกรุณาจิตตนเองบอกว่าด้วยกุศลความดีที่ทํามาทั้งหลายด้วยคุณของพระรัตนตรัยขอให้ข้าพเจ้าในจงพ้นจากทุกข์จงมีแต่ความสุขอย่าได้มีเว้นต่อใครๆเป็นต้นเหล่าเนี้แพ่กรุณาจิตให้ตนเองพ้นจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และในที่สุดจริงๆขอให้ตนเองเนี่ยจนสามเดินตามมรรคาของพุทธเจ้าถอนตอนเองให้พ้นจากการเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเข้าถึงพันิพาลด้วยเร็วดวยสะดวกเนี่ยการที่กรุณาตนเองอย่างนี้เขาเรียกกรุณาที่ถูกต้องและมุทิตาตอนไหนมุทิตาตอนที่เราเจริญในศีลสมาธิปัญญากระทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นได้จริง ก็มองส่วนคุณธรรมที่เกิดขึ้นในตนเองที่กําลังพัฒนาพิญโยภัยบุญพิญโยภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อนุโมทนาสนับสนุนให้กุศลเหล่านั้นน่ะเจริญภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่เอาเพื่อต้องการให้กุศลน่ยคือศีลคือสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดที่มันเกิดขึ้นแล้วน่ะให้เจริญภัยบุญนั่นแหละเขาเรียกมุทิตากับตนเองเพรอยยินดีกับตนเองที่ตนเองพ้นจากเวรภัยแล้ว เข้าถึงความสุขกายสุกใจแล้วแล้วก็กําลังจะประกอบตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นต้นในกรณีอย่างนี้ก็พอยินดีแล้วเวขาใช้กับตนเองตรงไหนตอนที่ตนเองกําลังดําเนินไปตามธรรมะที่เป็นไปตามปกติทำเป็นไปตามเหตุตามผลนี่แหละกรมให้ผลการได้รับสุขทุกการได้ลาบเสื่อมลาบนินทาสารเสรื่นสุข ท, ทุกทั้งหลายที่มากระทบกับชีวิตเราเนี่ยก็วางใจเป็นกลางไม่ให้อภิชาและโทมนัสมันเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเราสามารถ er, ที่จะมองในมุมที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาเวขาในตนก่อนแล้วจึงแผ่เมตตากรุณามุทิตาและเ ว, วขาเนี่ยไปให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติกับบุคคลที่ถูกต้องได้ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ได้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้น น, นั้นในกรณีอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าปฏิบัติตนเองได้ถูกและปฏิบัติต่อพ่อแม่ถูกปฏิบัติต่อถ้าเป็นพ่อแม่ก็ปฏิบัติต่อลูกถูกอย่างนี้เป็นต้น นี่พอจะชัดเจนไหมว่าการที่เราสามารถเดินพรหมิหารในชีวิตจริงเดินได้จริงๆคืออย่างนี้และก็ต้องตรวจสอบตรวจตาเช็คตนเองให้ถูกต้องดีงามอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเป็นแม่เป็นพ่อปฏิบัติต่อลูกได้ถูกต้องเป็นบุตรเป็นที่ดาปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ได้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติได้ยังถูกต้องดีงามแล้วเนี่ย มนุษย์เราไม่ได้อยู่แค่กับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยู่ในฐานะแค่เป็นลูกไม่ได้อยู่ในฐานะแค่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ตายายายเท่านั้นเราต้องเกี่ยวข้องกับเครวัตทิศเบื้องขวาทิศใต้เนี่ยทักกินอทิตย์เนี่ยก็คือการปฏิบัติต่อครูอาจารย์เนี่ยเพราะเราในฐานะที่เป็นบางคนก็อยู่ในฐานะเป็นครูเป็นอาจารย์บางคนก็อยู่ในฐานะ เ, เ, เป็นสิทธ์ใช่ไหมโดยเฉพาะครูคนที่เป็นสิทธิ์ที่พึงปฏิบัติต่อครูต่องปฏิบัติต่ออาจารย์เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยคุณธรรมข้อนี้หายปัจจุบันเนี้ยเริ่มแย่ลงเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจในการที่สามารถเดินพรหมิหารกับพ่อแม่ได้ปฏิบัติสังกา ว, ว่าถกกาุกับคุณพ่อคุณแม่ได้ประพฤติจารีเสินกับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกได้ทุกคนก็มีครูอาจารย์ทุกคนฉะนั้นในสมัยก่อนเวลาเขาเจอหน้ากันเนี่ยก็จะถามกันอย่างงี้เอายกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าไปเจออุปการชีวก อุปการีวกเจียพระพุทธเจ้าปุ๊บถามทันทีว่าดูก่อนเนีดูก่อนสหายท่านมีนามว่าอะไรยังไงถามถามนึกนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสหายท่านมีนามว่าอะไรนะใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านชอบธรรมะของคําสอนของท่านผู้ใดพระพุทธเจ้าบอกดูก่อนอุปการจีวกบกว่างั้นเรา เราเป็นผู้แทงตลอดเราเป็นผู้ครอบงำทาที่เป็นไปในภูมิสามคือการมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิแล้วก็แทงตลอดทาที่เป็นไปในภูมิทั้งสี่คือการมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิจนถึงโลกุตละภูมิมีปัญญาแทงตลอดทาที่เป็นไปในภูมิสี่ได้ด้วยตนเองอย่างนี้จะอ้างใครเราเป็นอาจารย์อาจารย์อาจริโบอกอาจารย์ของเราไม่มี ครูข้างเราไม่มีเราไม่มีครูเราไม่มีอาจารย์เราเป็นใหญ่ได้เฉพาะตนอย่างเนี้ยเรามีนามว่าอนานันตชินะชนะกิเลสชนะมารห้าได้โดยตนเองอ่หวังก็เถิดแล้วก็แจกพึงอ้างใครแล้วว่าเป็นอาจารย์น เ, นนะ เ, ยเนี่ยแม่น่ะกรณี้ยแต่ก่อนก็จะถามว่าเจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยเขาจะถามว่าลูกของใครแล้วเขาจะถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านใครเป็นอาจารย์ของคุณ ทุกวันนี้ไม่ถามกันนะว่าใครเป็นอาจารย์ว่าอาจารย์สอนอยังไงเป็นต้นว่าเขาวัดกันว่าอาจารย์คนนั้นสอนอยังไงเป็นต้นทีนี้ฉะนั้นสิทธิ์เนี่ยเวลาอยู่กับครูอยู่กับอาจารย์เนี่ยการลุกรับแสดงความเคารพเ อ, อเวลาอาจารย์มาใครมาทั้งหลายเนี่ยเขาจะลุกนะลุกลับกันให้สังเกตเนี่ยประเพณีเหล่านี้วัฒนธรรมเหล่านี้ข้อปฏิบัติเหล่าเนี้ยพระใช่กัน ถ้ามีพระเถระครูอาจารย์มาปุ๊บในลูกศิษย์ต้องรับต้องลุกขึ้นลุกขึ้นเข้าไปลุกขึ้นเข้าตอนรับเพราะฉะนั้นการลุกเนี่ยเออให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาสอนหนังสือเนี่ยหรือแสดงธรรมเนี่ยถ้าพระพระแสดงธรรมถ้ายืนเนี่ยคนฟังต้องยืนฟังนะเพราะนั้นการยืนคือการเคารพถ้าเห็นชาติโประเพนีของเราเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในวงังเวลาพระเจ้าเป็นดิน มายืนให้โอวาทขาราชบัณิภานต้องยืนไหมยืนกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเออต้องยืนนะนั้นบางครั้งท่านนั่งด้วยแต่ยังยืนฟังนั่แหละเคารพนั้นการยืนเนี่ยคือการเคารพวัฒนาธรรมประเพณีเหล่านี้มาจากในพระไตรปิฎกมาจากคําสอนพระเจ้าเข้าไปบํารุงรับใช้ปรึกษาซักถามรับคําแนะนําเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เข้าไปหาเห็นไหมเมื่อเกิดศรัทธาแล้ว ก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงี้ยวโสดลงเนี่ยลงประศัดพ์เพื่ตั้งจิตรับรู้ก็ทําฉันทะทําใจรักให้เกิดขึ้นพอเกิดใจรักก็เกิดอุตสาหะจากอุตสาหะก็ความเพียรจากความเพียรก็ตั้งสติจากสติตั้งได้แล้วก็มีความตั้งมั่นในจิตแล้วจะได้มีปัญญาไปตรวจตาสอบสวนนี้เป็นต้นไฟใจเรียนก็คือมีใจรักเรียนเรียนด้วยศรัทธา เรียนด้วยฉันทะรู้จักฟังให้เกิดปัญญาอย่างนี้เป็นต้นจำไว้เนี่ยการเรียนเนี่ยโหใส่ใจเรียนไม่จริงๆเวลาไปเรียนไปได้ทั้งหลายเหื่องนี้โอ้โหตื่นเต้นในการเรียนชอบในการเรียนขวัญขวายในการเรียนเพราะข้อมูลความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากและในขณะที่เรียนก็มีความเชื่อมั่นมีศรัทธามีปัญญาเป็นต้นเหล่านี้มาคอยตรวจตาวิจัยแย่ๆประการต่อมาก็คือปรนนิบัติช่วยเหลือบริการ หลักการตรงนี้ต้องปนิบัติยามที่ครูอาจารย์มีความทุกข์กรุณายามปกติก็ไปนวดฟันดูแลทั้งหลายเลยเนี้เป็นต้นเห็นไหมใช้ช่วงไหนใช้เมตตาช่วงไหนใช้กรุณาช่วงไหนใช้อุเวขาและช่วงไหนจะวางใจเป็นกลางเรียนศิลปะวิทยาเรียนด้วยความเคารพก็คือเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสำคัญที่สุดเรียนด้วยความเคารพคาว่าเคารพในที่นั้นมาจากอที่บอกว่าเอื้อเฟื้อสัพว์เนี่ย เรือเฟือเคารพในที่นี้ก็หมายความว่าเรียนจริงๆเนียเรียนด้วยความจริงจังนะไม่ใช่เรียนเล่นๆไม่ใช่สักแต่ว่าเรียนอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในฐานะครู่ะที่พึงปฏิบัติต่อสิทธิ์เขาปฏิบัติยังไงแนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดีเห็นไหมครูเนี่ยนอกจากจะสอนวิทยาการทั้งหลายเหล่านี้แล้วพ่อแม่ก็มีหน้าที่สอนแะครูก็ต้องสอนด้วยนะแนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดี ให้แยกแยะว่าอะไรเรียกว่าดีแหมถ้าพูดดีเนี่ยยากดีแบบโลกโลกนดีแนะนําให้เป็นคนดีของพ่อแม่ไงดีของครูดีของเพื่อนยังไงก็ให้ปฏิบัติสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งโอ้ครูต้องเก่งมากลักษณะครูที่ดีก็ต้องว่าการสอนเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งครูต้องเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมน่ารักคนที่เป็นครูอาจารย์นี่ยน่ารัก น่ารักเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดําเนินไปตามศีลเพรางั้นพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมจิตใจทั้งหลายจะเป็นปัญญาเป็นต้นเลยมีมีศีลเป็นข้อประพฤติธปฏิบัติน่าเคารพเนี่ยครูเนี่ศัพท์เนี่ ย, รยครูหรืออาจารย์เนี่มันน่าคเคารพนี่ยคือเสร็จอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นเสร็จอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเสร็จอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยอะรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วอบอุ่น ปลอดภัยแล้วมีความสุขให้สังเกตดูไหมว่าเราอยู่กับอาจารย์บางคนเนี่ยไปอยู่ปั๊บเนี่ยรู้สึกไม่อบอุ่นแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยจะโดนทิ่มอะไรก็ไม่รู้โดนตําหนิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีอาจารย์ที่ดีเนี่ยสิจรักเพราะว่าเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยพรหมวิหารธรรมแล้วก็เดินสังขาวัตถุเป็นว่ า, าระทีจะให้ บางคนไปบอกว่าผมเกิดมาครูไม่มีเงินทองครูยากจนรักเรียนยากจนเราไม่สามารถที่จะมาเพ่นข้อทานในสังหาวัตถุได้ที่จริงมันไม่ใช่ให้แค่ทานอย่างเดียวมันให้อะไรให้ให้ด้วยวาจาก็ได้ใช่ไหมหรือกระทาประโยชน์ให้ก็ได้ตักน้ำให้ก็เป็นทานแล้ว <c oughs> มันไม่จำเป็นไม่จะต้องไปมีทรัพย์มีอะไรมากมายใช่ไหมงั้นครูเนี่ย ตน่าเคารพภาวนีโยก็คือเป็นผู้ที่จเจริญในศีลสมาธิปัญญาทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปัญญาเนี่ยฝึกตนเองอยู่ตลอดเวลาและการที่ฝึกตนเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทั้งพฤติกรรมก็ฝึกตนเองทั้งจิตใจนีก็ฝึกตนเองให้มีคุณธรรมคือเมตตากรุณาเมตตามีทั้งความอดทนมีทั้งความกตัญญูกตัญญูดีคุณธรรมเต็มเปี่ยมไปหมดเลยเ แล้วด้านปัญญาก็พิจารณาเหตุผลทั้งหลายเนี่ยวิชาการความรู้ทั้งหลายก็ดีตลอดถึงปัญญาที่แยกแยะบุญบาปทั้งหลายวุบชัดเย็นขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าสิทธิ์ไปอยู่ใกล้ก็พลอยได้รับอา น, นิสงส์จากการที่ฝึกตนเองด้วยแล้วก็วัดตาเนี่ยที่บอกว่าสอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยครูนี่ต้องฉลาดไหมว่าเป็นคนเป็นคนที่บอกว่าว่ากล่าวสัน์นี้เป็นคนฉลาด รู้จังหวะว่าจะพูดอะไรที่ทำให้สิทธิ์เนี่ยได้รับกาลังใจคือสามารถพูดให้รู้ว่าสิทธิ์เนี่ยมีความลุกเิด็์เนี่ยทุกใจพูดให้คลายทุกข์เลยเขาเศร้าเขาหงอยเนี่ยพูดให้เขาอาจหาร่าเลืงได้เขาเขารู้สึกว่าลังเลสับสนพูดให้หายลังเลได้ไม่รู้ไม่เข้าใจแยกแยะเหตุผลได้เนี่ยลักษณะแบบนี้ เขาเรียกว่าสอนให้แจ่มแจ้งสิ้นเชิงว่างั้นเถอะปลูกเลา้าก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคนทนต่อพฤติกรรมของสิทธิ์ได้พ้นแต่คทนต่อคำพูดดีๆของสิทธิ์ได้คือสิทธิ์อาจจะมีพฤติกรรมมีสภาพจิตใจยังไงมีคำพูดอย่างไรนลูกสิทธิ์งี่เง่าอะเยอะแยะหมดเนี่ยก็วางใจเป็นยอมรับได้คือสามารถ วางตนที่เหมาะสมที่เป็นสมานตาตาเนี่ยสมานตาตาก็คือวางตนเสมอต้นเสมอปลายเสมอในสุขก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์กสิทธิ์แล้วก็ไม่เลือกที่รักผักที่ชังก็หมายถึง ว, ว่ารักสิทธ์คนนั้นมากรักสิทธิคนนี้น้อยไม่เลยวางตนเสมอต้นเสม อ, สมอปลายจริงๆว่างั้นเถอะแล้วก็ขวนขวายในการช่วยเหลือสิทธิ์สุขกับสุขด้วยทุกข์ก็ร่วมแก้ไขให้ร่วมและในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่ ไม่เสียหลักการด้วยนะไม่ใช่เสียหลักการเสียธรรมะเสียความถูกต้องดีงามเนี่ยไม่ทำวางตนเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าฉลาดสามารถที่จะพูดเรื่องยากให้ง่ายพูดเรื่องยาวให้สั้นได้พูดเรื่องลึกให้ตื่นได้ให้สิทธิ์เข้าใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลำบากเนี่ยไอตรงนี้สำคัญมากเนี่ยลักษณะนเนี้ยก็สอนให้แจม่มแจ้งสอนศินลปวิทยาโดยสิ้นเชิง นั้นข้อมูลความรู้ไม่กักไม่หวงเลยว่างั้นไม่มีธรรมมรัชย์รยะไม่หวงข้อมูลความรู้ข้อมูลความรู้ค้นคว้าเต็มที่สอนแล้วก็ให้เต็มที่เลย อ, อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ส่งเสริมยกย่องความดีความงามให้ปรากฏก็หมายความว่ า, วาเวลาเวลาที่ต้องการที่จะให้ หรือเวลาลูกศิษย์คนไหนทําดีมีศักยาภาพควรจะยกย่องแล้วไม่กักเลยมุดทิตาเต็มที่เลยพล อ, อยยินดีก็หลฉลาดลูกศิษย์คนไหนที่ควรจะปราบปรามยังไงก็ฉลาดในการนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือสร้างความคุ้มครองในทิศ ท, ทั้งหลายเมื่อเราสอนจนลูกศิษย์เนี่ยสอนทั้งข้อมูลความรู้ศิลปะวิทยา แล้วก็ฝึกทั้งพฤติกรรมจนสามารถเนี่ยให้ลูกศิษย์เนี่ยมีศักยภาพข้อมูลความรู้วิชาการทั้งหลายเนี่ยไปอยู่ในกระแสะชีวิตของลูกศิษย์เต็มไปหมดแล้วก็สอนทักษะศักยภาพความรู้ความสามารถจนมีความสามารถเต็มเปี่ยมเต็มที่แล้วเนี่ยชื่อว่าอาจารย์จบภารกิจแล้วฉะนั้นถือว่าป้องกันแล้ว ส่งลูกศิษย์ไปในะทิศไหนจะไปทิศเหนือทิศใต้ ต, ตะวันออกตะวันตกจะไปประเทศไหนแปลว่าอะไรข้อมูลความรู้ที่อาจารย์ใส่ให้กับศิษย์นั้นเนะ่ยจะเป็นเครื่องป้องกันจะให้ศิษย์เนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้เรื่องดีชั่วทั้งหลายลูกศิษย์ก็แยกแยะได้ไม่ได้จะสอนลูกศิษย์ให้ตาดีสองข้างนะไม่ใช่ตาดีข้างเดียวถ้าตาดีข้างเดียวก็คือสอนแก้ศีลประเปาวิทยาสอนแค่ความรู้แต่ไม่แยกแยะดีชั่ว ในนี่อาจารย์ที่ดีพ่อแม่ที่ดีเนี่ยสอนทั้งอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนี่ได้แล้ววิชานี่ได้ด้วยได้แยกแยะได้สองวิชาการวิทยาการก็รู้ด้วยเป็นคนตาดีทั้งสองข้างบางคนบางคนเนี่ยตาบอดสองข้างเสียหายเลยนะวิชาหาทรัพย์ก็ไม่มีวิทยาการก็ไม่มีวิชาแยกบุญแยกบาปก็ไม่มีแยกดีชั่วก็ไม่มีนี่บอด แต่นักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็คือตาดีข้างเดียวได้ทังวิชาความรู้ศิลปะวิทยาต่างๆแต่แยกกุศลอกุศลไม่ได้ไม่ออกเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนนักศึกษากินเหล้าสูบุรีติดการพ น, นันเต็มไปหมดเห็นไหมเนี่ยครูก็เป็น <c oughs> มีเสียเลย่เงี้ยนะเพราะวิหารสังขาวัตถุคุณธรรมทั้งหลายเสียหายหมดเนี่ยลักษณะแบบนี้ฉะนั้นสร้างความคุ้มคุ้มกัน ในทิศทั้งหลายอาจารย์ฉลาดมากคือว่าสรงศิษย์ไปทิศไหนก็ปลอดภัยถ้าหากเป็นอาจารย์ที่เก่งจริงนะไปเลยนะเรียนจบจากอาจารย์แล้วเนี่ยหากินได้ทันทีไม่ต้องให้เงินเหมือนใคร<า>เหมือนหมอชีวกโกมรารพัฒหมอชีวกโกมรารพัฒเนี่ยเดินทางไปเรียนที่ไหนตักศิลาตักศิลาปัจจุบันก็คือปากีสถานเนี่ยปากีสถานเนี่ย ตอนนั้นน่ะหมอชีวกอยู่ราชจักรือ้องคิดดูองะองราชคักรืปัจจุบันก็อยู่แถบใกล้ๆพุทธยากลาดบิหารลาดพิหารนั่นแหละองราชคักรสมัยนั้นก็สมัยพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าวปนินอย่มัอ้อหมอชีวกโกมาลพัฒนี่เป็นชีวกโกมาลพัฒนี่เป็นอืม ถูกส่งไปเรียนไปเรียนกับอาจารย์เป็นหมอเรียนวิชาหมอพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็ทดสอบวิธีการทดสอบก็คือว่าให้เข้าป่าไปทางทิศนี้ให้ไปหาต้นไม้ที่ทํายาไม่ได้ที่เป็นยาไม่ได้ก็เดินเวงทิศเหนือโอ้หกลับมาเป็นแหลมเดือนบอกไม่มีเอาไปที่ใต้เอาไปทีตตปท่ตะวันออกตะวันตก บอกวไปทั้งสี่ทิศนี้แล้วเนี่ยยังหาต้นไม้ที่เป็นยามไม่ได้เลยอาจารย์บอกจบแล้วคุณจบหลักสูตรของเราแล้วพอจบหลักสูตรเสร็จปุ๊บอาจารย์บอกว่าไม่ให้เงินสักบาทบอกป้าเดินกลับหมอชีวกก็เดินกลับใช้วิชาการที่ตนเองเรียนนั่นแหละสอนแล้วไปรักษาไปรักษาพยาบาล เห็นไหมมีคุณธรรมด้วยมีทั้งเมพระมิหารธรรมมีทั้งสังขรวัตถุประพฤติปฏิบัติตัวเองรอนแรมเดินมาโอ้โหได้เงินมามากมายนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าเป็นคนที่ชาญฉลาดมากอีกที่หนึ่งหลังจากที่ครั้งหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าจันทประโชดพระเจ้าจันทประโชดเนี่ยอยู่แคว้นอวันตีทักคีนาชนบทแคว้นอวันตีเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ทางอาจารต์เอโรล่าอยู่ทางโน้น ตอนนั้นน่ยเป็นโรคปวดศีรษะอย่างรุนแรงพระเจ้าจันทป์พระพชดเนี่ยเป็นสหายกับพระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวชื่อเสียงของหมอชีวโกมารพัฒก็เลยส่งสารมาว่าขอตัวหมอไว้รักษาหน่อยเถอะหมอชีวกไปไปคนเดียวด้วยเนอะเดินทางเมื่อไปถึงเมืองนี้ก็เจอเป็นสังเกตเห็นโอ้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ย เป็นคนขี้โกรธลักษณะนี้เห็นไหมไม่ใช่เรียนแค่วิชาเพียงแค่หมออย่างเดียวเนี่ยคนขี้โกรธดูลักไหนกุมทนโทสาจริตเป็นยังไงพอรู้อย่างนั้นบเบดเสร็จก็เลยเริ่มวางแผนถามาเออพระเจ้าจันทร์พระพุทธเานี่ยแพ้อะไรไม่แพ้อะไรพระเจ้าจันทร์เจ้พระพุก็บอกว่าจะรักษาเราเนี่ยประกอบยาอะไรได้หมดยกเว้นเนยเพราะเราจะเป็นคนเกลียดเนยมาก แพ้แล้วเกลียดด้วยหมอชีวกมานั่งคิดโอ้โหสิ่งที่จะประกอบยามันต้องผสมเนยด้วยทั้งนั้นไม่หายก็เลยออกอุบายบอกว่าพระเจ้าค่าการรักษาในครั้งเนี้ยมันจะต้องใช้เอต้องขอพรเนี่ยพระเจ้าไปดินก็คือว่าในระหว่างทําการรักษาจะต้องอาจจะต้องไปเอายาอาจจะต้องไปเอายานะ อาจจะต้องไปเอาสิ่งของต่างๆเพื่อจะได้ทันต่อการรักษาฉะนั้นขอให้ทรงพระราชทานอนุญาตให้สามารถใช้ช้างพอดีนั่งหรือม้าพอดีนั่งคือช้างเชือกนี้เป็นช้างพอดีนั่งของพระเจ้าจันทร์ธรรโชติเนี่ยวิ่งได้เร็วมากวันหนึ่งเนี่ยวิ่งได้โอ้โหตั้งเกือบห้าสิบยอดม้าเหมือนกันเร็วมากพระเจ้าจัน์ก็อนุญาตหังจากนั้น ก, ก็ประกอบยา ประกอบยาที่จะให้พระเจ้าจันทร์พิชตกินเสวยเนี่ยประกอบเสร็จปุ๊บก็ให้ดื่มตอนนั้นพอให้ดื่มเสร็จปุ๊บก็รีบเลยไปที่นั่นแหละก็เอาคำสั่งของพระเจ้าไปดินไปขึ้นหลังช้างรีบวิ่งวิ่งออกจากเมืองเลยเรียบร้อยเนี่ยนะพอได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เลอออกมา โอ้โหกลิ่นเนยโอ้โหไปแพ้อาเจียนโอ้โหขนาดหนักเลยเีนี้อาเจียนออกมาอุ้ยดำทั้งถ่ายทั้งอาเจียนเลยเดนี้ขนาดหนักเลยพระเจ้าจันทรยสั่งทหารบอกไปเจาะขาข้าวมันก็ให้เนี่ยทหารเนี่ยคว้าไอ้อมาเชือกนี้ที่วิ่งเร็วจะวิ่งตอนนั้นไปทันไปทันหมอชีวกโกมารพัฒระหว่างชายแดน จับหมอชีวกได้หมอชีวกก็บอกว่าขอกินอาหารก่อนกินอาหารเขาถูกสั่งไปห้ามกินอะไรนะห้ามกินอาหารร่วมกันกันกบหมอชีวก เ, เล่ยเลียมเยอะหมอชีวกก็บอกวนะ่ากินข้าวด้วยกันดีบอกทหารหรอกไม่มาขามป้อมก็ได้เนี่ยกินตอนนี้ก็กินแล้วก็จับให้ทหารเนี่ยทหารก็กินยีาา่ หิวอะนะก็เอากินพอกินได้ไม่ถึงนาทีทั้งถ่ายทั้งอ้วกหมดแรงเลยทนะหารคนนี้ที่จะมาจับหมอชีวกทหารก็บอกว่าบอกว่าหมอผมจะตายไว้เนี่ยผไม่ตายหรอกหมอยีกขี่ช้างกลับไานครแล้วต่อมาก็หาย พระเจ้าจันโตนี่ชี้เห็นถึงว่าเนี่ยลักษณะเนี้ยว่าวิชาการในยุคก่อนเวลาเรียนกับครูอาจารย์เนี่ยเป็นวิชาที่หาไปที่ไหนก็ป้องกันได้ป้องกันอันตรายภายในภายนอกได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหลักการในกรณีเป็นแบบนี้นะฉะนั้นครูที่ดีทั้งหลายเลยเนี่ยสร้างความคุ้มครองป้องกันให้กระสิทธิฝึกสิทธิ์จนชํานาญจริงๆสามารถที่เราจะจบจากมหลาลัยนี้แล้วเดินออกมือเปล่าได้หากินได้ถ้าจะใช้ได้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าโอ้โจบออกไปแล้วกลับไปก็เป็นเลี้ยงไม่โตก็ต้องแ บ, บมือขอพ่อขอแม่เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เอกกรณีอย่างนี้เสียหายเลยใช่ไหมฉะนั้นหลักการตรงนี้ก็เพราะว่านั้นการที่เราท่านทั้งหลายวันนี้ก็เลยได้เพียงแค่เนี่ยได้แข็งแค่ว่าสเสร็จพ่อแม่กับลูกแล้วก็เสร็จกับอาจารย์ ในกรณีอย่งการที่จะมาเดินพรมวิหารธรรมด้วยผากออกมาเป็นสังขาวัตถุแล้วก็เชื่อมโยงในการปฏิบัติจาลีศีลทีนี้มีปัญหาที่ถามมาเนาะปัญหาที่ถามมาอยู่ในเครื่องนี้ก็มีเนี่ยแล้วพอดีมีปัญหาถามออพระท่านถามปัญหาก็จะเอาว่าช่วงนี้ถามมาคืออย่างนี้ ขอความเมตตาเ่านั้นบอกว่านมัสการสอบถามวันนี้ผมเพิ่งมีบุญมีโอกาสได้หยุดงานเพราะต้องหยุดงานเพื่อไปรดน้ำต้นไม้ที่แห้งแลง้งจะเฉาตายเสียก่อนตอนเย็นเลยพอมีเวลาว่างที่ฟังธรรมมาจากอาจารยเ์เพราะทุกวันนี้มีเวลาให้แต่การทำงานเพราะด้วยความยากจน ต้องหาเงินมาเลี้ยงตัวเองและลูกพร้อมหนี้ศินจึงจําเป็นต้องทําเนื่องด้วยความทุกข์จึงทําให้ผมมีความศรัทธาในพระรรมสัตธรรมมากการทํางานผมต้องเจอกับเจ้านายหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานที่ผิดศีลขาดพร ม, มิหารธรรมคอยเบียดเบียนทั้งกายวาจาและใจทั้งทีผมพยายามเจริญเมตตาภาวนาต่อพวกเขาแต่ยังถูกเบียดเบียน จนผมมีความทุกกายทุกใจมีจิตเกิดปฏิฆาบ่อยๆผมควรทำอย่างไรวางใจอย่างไรี่ข้อแรก <c oughs> ผมควรทำอย่างไรวางใจอย่างไรส่วนสังหาวัตถุสี่ผมอ่อนในข้อหนึ่งคือการให้เพราะผมจนและข้อสี่คือการวางตนเป็นลูกน้องอะวางตัวไม่เป็นผมเอยผมขอความเมตตา ให้จิตผมเกิดประกอบไปด้วยปราโมทพิจิตเถิดนี่นะไอ้ตรงนี้ก็คือว่าเอ่อยอถามอย่างนี้ว่าผมพยายามเจริญเมตตาต่อพวกเขาแต่ก็ถูกเบียดเบียนว่าไเเกิดปฏิค้ะควรทำยังไงคืออย่างนี้ในขณะที่เราปฏิบัติเนียเป็นลูกน้องกับเจ้านายพึงปฏิบัติอย่างไรมันจะมีหัวข้อ มันจะมีหัวข้อที่ยังไม่ถึงแต่เดี๋ยวบอกคร่าวๆกันบอกคร่าวๆในเวลาที่จำกัดเหลือประมาณห้านาทีนีนะ่สิ่งที่ในฐานะที่ยมเป็นลูกจ้างลูกๆๆกลูกน้องเนี่ยที่พึงปฏิบัติต่อเจ้านายบอกเพื่อนร่วมงานก็ขี้โกรธเจ้านายก็ขี้โกรธที่จริงเนี่ยเมื่อเราถามว่าเวลาเขาโกรธเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหม แปลว่าเขากําลังเบียดเบียนตัวเองคนโกรธเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยแปลว่าตอนนั้นเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดความอากุศละจิตเกิดขึ้นกับเขาไฟกําลังเผาลนกระแสชีวิตเขาอยู่เนาะวาระนั้นนะไม่ควรเจริญเมตตาวาระนั้นควรเจริญกะรุณาและเราไม่ควรไปทุกข์ใจเวลาเห็นคนอื่นเขาโกรธเนี่ย เห็นคนอื่นเขาอากุศลเกิดหรือทุตยริตเกิดสีหน้าแววตาก็ดูการคำพูดที่เขาประทุษร้ายใช่ไหมหนึ่งก็คือสภาพจิตใจเขาว้าวุ่นสองหน้านิ้วคิ้วขมวดสามปากคางสันสี่ก็เปล่งวาจาชั่วร้ายอย่างเงี้ยหรือมีพฤติกรรมออกมาด่าทอหรือปร ะ, ประทุษร้ายทั้งหลายอะไรนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าตอนนี้อกุศลกาลังกุ้มรุมเขาเต็มที่แล้วอยู่ถ้าเรา ถ้าเราไปเจออย่างนั้นปุ๊บแล้วเราไปโกรธตอบเขาไปเกลียดเขาไปโกรธเขาไปพยาบาทเขาเนี่ยแปลว่าเราแย่กว่าเขาเราเนี่ยแย่กว่าเขาเพราะเราเห็นตัวอย่างที่เลวตัวอย่างที่ไม่ดีอยู่แล้วเราควรจะระ ง, งับยับยัง้งแล้วตั้งกรุณาจิตตั้งกรุณาจิตนะท่านอุปมาว่าถ้าเจอใครสักคนหนึ่งเอาอุจรา่าลาดตัวเองเนี่ย ลาดหน้าทานหน้าตัวเองแล้วเราเราก็เลยโกรธก็เลยไปเอาอุจจาระมาลาดหน้าตัวเองตามเขาเนี่ยแปลว่าเราไม่ฉลาดในวิธีปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้ก็ปฏิบัติให้ถูกนั้นเขาจะโกรธเขาจะอาฆาตจะพยาบาทใดๆทั้งหลายความโกรธมันเผาลนเขาก่อนไม่ใช่เผาลนเราฉะนั้นเราไม่ควรทําความโกรธให้เกิดขึ้นเราควรตั้งกรุณาจิตว่าตอนนี้เขาถูกความโกรธแผดเผาหนอะเขาเดือดร้อนมากเขาทุกข์มาก เขาจะเป็นโรคความดันก็จะเป็นโรคหัวใจแล้วเขาจะมีโรคภัยแคเจ็บยิ่มากเพราะดินน้ำไฟลมในร่างกายเขาผันผลตลอดเวลาเลยถ้าเขาทาอย่างนี้มากๆมากๆบางทีเส้นเราหิดแตกก็ได้ถ้าเขาแก่เท่าไปต่อไปเส้นเราหิดก็เปล่ะแล้วก็แตกน่ากรุณาทุกส่วนเลยถ้าพิจารณาไปเราไม่ควรน้อยเนื้อต่ําใจเราตั้งกรุณาจิตทีนี้ถ้าตั้งกรุณาจิตแล้วขวนขวายช่วยเหลือเขาได้ไหมไม่ได้ ไปบอกเขาได้ไหมไม่ได้สามารถที่จะหาอุบายวิธีได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีศักยภาพไม่มีความสามารถก็ลงไปอยู่ในหมวดของอุเบกขาถ้าเห็นเขาทำบ่อยๆวางใจเป็นกลางว่าเมื่อเขาทำอย่างนี้ประทุสร้ายตัวเองแบบนี้เขาเบียดเบียนตัวเองก่อนจึงไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยกรรมที่เขาทำเขาก็ต้องประสบที่เขาประสบแน่ๆก็คือว่าสีหน้าของเขาไหมต่อความโกรธแผดเผาเขา เขาก็จะหลับเป็นทุกข์เขาจะตื่นเป็นทุกข์ก็จะฝันร้ายเทวดาก็ไม่รักษาไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไม่เป็นที่รักของอามนุษย์แล้วเขาจะเกิดโรคร้ายไฟบั้งสตราบั้งโรคร้ายจะเบียดเบียนเขาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเขาไม่มีเมตตาจิตเดี๋ยวเขาไปนิดหน่อยติดเชื้อเลยง่ายๆเลยใช่ไหมถ้าใครไม่ถ้าใครมีเมตตาติดต่อและต่อเนื่องมันป้อง ก, กันโรคไอไวรัสไวรัสอะไรนะ ควิด1 COVID ิเเนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้เลยนะถ้าเราสามารถเข้าสมาธิระดับระดับเมตตาชานได้และเมตตาจิตได้นี่ถ้าทำได้จริงๆนะไฟสตรายาพิษโรคร้ายไม่เบียดเบียนแต่ถ้าใครโกรธไฟสตรายาพิษโรคร้ายจะเบียดเบียนสีหน้าก็เศร้าหมองฟุง้งซ่านพอใกล้ตายก็เป็นอัลไซเมอร์ตายไปแล้วก็ตกนรกไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยความโกรธเนี่ย ถ้าเราเห็นโทษอย่างนี้ก็หยุดยั้งเสียว่าโอ้โหเนี่ยน่ากรุณามากเราก็ไม่ควรจะไปกังวลใดๆเลยงี่เป็นต้นอันนี้ตอบคร่าวๆก่อนเดี๋ยวต่อไปได้มีโอกาสก็คือจะไปถึงเ อ, อเจ้านายปฏิบัติต่อลูกจ้างลูกจ้างลูกน้องปฏิบัติต่อเจ้านายอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบย้อมบอกว่า<อ>เดี๋ยวย้อมบอกว่าที่ว่าจนเลยให้ทานไม่ได้นะจนแล้วให้ทานไม่ได้ปฏิบัติสังฆาวัตถุมได้ไม่ครบ ก็หมายความว่าพอะจนเนี่ยจริงๆแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับจนหรือรวยการให้ทานให้ได้ทุกวันยอมมีน้ำสามารถหยิบน้ำให้ใครมีมีให้น้ำเขาหนึ่งแก้วก็ชื่อว่าให้ทานแล้วชื่อว่าให้ทานแล้วให้ทานด้วยการให้ไปหยิบของให้เขาทำอะไรก็ชื่อวัตถพุติประโยชน์ให้กับเขาช่วยเขาถือของถืออะไรเนี่ยประพฤติประโยชน์ได้และพูดจาดีกับเขาเป็นต้นเหล่านี้ก็ชื่อว่าประพฤติสังหาวัตถุ แล้ววางตนเหมาะสมบอกว่าการวางตนให้เสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมก็คือเอาตนเองเข้าไปเสมอเวลาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนสุขสุขกับเพื่อนเพื่อนทุกข์ก็ร่วมกันแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นคนชานฉลาดในการที่จะวาระนี้ควรจะใช้เมตตาวาระนี้ควรจะใช้กรุณาวาระนี้ควรจะใช้มุทิตาวาระนี้ควรจะใช้อุเบกขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมได้ถูกต้องได้ วาละนี้ควรจะให้อะไรแก่เขามีของที่จะให้วาละนี้ควรจะใช้คำพูดวาล้านี้ควรจะเพืพอพืประโยชน์วาละนี้ควรเอาตนเองเข้าไปเชื่อมเสมอสมานใดๆอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นความยากก็แต่ก็เป็นข้อที่ควรฝึกเมื่อเราฝึกได้แล้วเราจะไปนั่งในใจของบุคคล น, นั้นได้อย่างนี้เป็นต้นหมดเวลาแล้วอ้วาอวาอ า, เอาเออวเชิญ ขอโอกาสพระอาจารย์ครับพอดีมีคำถามมาจากทางไลน์นะครับถามว่าสรุปประเด็นก็คือว่าในช่วงช่วงเวลานี้สังคมเจอกับภัยในหลายๆอย่างก็คือมีโรคระบาดเป็นต้นอยากจะขอโอกาสพระอาจารย์อบอกวิธีการวางใจต่อโรคระบาดแล้วก็ธรรมะในข้อใดที่สามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ครับพระอาจารย์ขอขอขอเจริญพรในในปัญหานี้เป็นปัญหายาวด้วยเป็นปัญหาที่กำลังพูดกันครั้งนี้ก็คือพูดเรื่องโพรวิหารเอออยากให้คนไทยหรือโดยเฉพาะชาวโลกเนี่ยนะที่กำลังเผชิญกับภัยก็คือโรคไวรัสร้ายที่ว่ายังหายารักษาไม่ได้ ที่ติดกันแทบจะทั้งทั่วแทบทุกประเทศแล้วเมืองตอนนี้แม้ประเทศไทยเองก็มีเสียชีวิตได้ทราบข่าวมีเสียชีวิตด้วยแล้วก็มีการติดเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็น่าจะไม่หยุดถามว่าเราควรจะวางท่าทีทางใจอย่างไรเนี่ยถ้าทุกคนนะเรียนรู้เรื่องพรหมิหารให้ชัดให้เข้าใจตัวพรหมิหารจริงๆและชัดด้วยนะ แล้วก็ฝึกเจริญพรหมิหารเจริญเมตตาให้กับตนเองอย่างไรเจริญกรุณาให้กับตนเองโดยเฉพาะฝึกข้อแรกคือเมตตามีความรักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนแบบจับจิตจับใจใกับตนเองได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นหยิบยื่นประโยชน์ให้กับตนเองได้จริง ก็คือเอาประโยชน์เอาคุณความดีเอากุศล ค, ค, ความดีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาประชุมไว้ในกระแสะชีวิตทําศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในตนได้จริงๆแล้วก็กําจัดพยาบาทกําจัดความโกรธความกลัวเนี่ยให้ออกจากใจได้จริงแล้วก็สภาพใจก็ล่าเลงผ่องใสเป็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญแล้วก็เห็นจุดเด่นของตนเองแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองได้แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น เมื่อทําเมตตาจิตให้เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องก็น้อมเมตตาจิตไปให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องแผ่เมตตาจิตได้จริงๆด้วยเมื่อแผ่เมตตาจิตให้กับบุคคลอื่นได้นะบุคคลนั้นเป็นที่เคารพบุคคลนั้นเป็นที่รักบุคคลที่เป็นกลางๆและคนที่เป็นศัตรูจนสามารถทําเมตตาจิตให้ได้เป็นทําลายเขื่อนแดนได้รักตนเองเท่าไหร่ก็รักคนที่เคารพเท่านั้นรักตนเองเท่าไหร่ก็รักคนที่เป็น รักกับบุคคลที่เป็นที่เรารักเท่านั้นรักตัวเองเท่าไรก็รักกับคนที่เฉยๆรักกับตัวเองเท่าขนาดไหนก็รักคนที่เป็นศัตรูได้ขนาดนั้นวางใจได้ขนาดนี้คุณรอดพ้นและจากโรครายเพราะเมตตาดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเมตตาก็ดีกรุณามุทิตาลูกเบขาถ้าเดินพรหมิหารได้จริงๆแล้วเนี่ยอา น, นิสงของเมตตาเนี่ยหรือพรหมิหารทุกข้อเนี่ย หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอาตมนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิษโรคร้ายไหมหน้าสัคีวาวิสังวาสถังวากรรมติไฟสตราวุฒโรคร้ายจะไม่แทรกเข้าไปในกระแสชีวิตก็คือว่าตัวเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตและอุเบคขาจิตเนี่ยจะเป็นตัวปิดกัน้นไม่ให้โรคร้ายเข้าสู่กระแสชีวิต เออกสุลจิตเนี่ยมันค้มครองได้ขนาดนั้นธรรมะธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะเนี่ยรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะที่ปฏิธรรมะที่ปฏิบัติดีแล้วบุคคลที่ประพฤติธรรมดีแล้วทําเมตตาให้เกิดขึ้นดีแล้วติดต่อและต่อเนื่องแล้วทํากรุณาให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องทํามุทิตาให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องทําอุเบกขาให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่อง เมตตากรุณามตตาเบกขาเป็นเหมือนฉัดเป็นเหมือนล่มกันแดดและกันฝนได้ตลอดเวลาถ้าเมตตากรุณาเป็นต้นไม่หลุดจากจิตยาพิษโลกร้ายไม่แทรกได้แต่ถ้าเกิดความกลัวความวิตกกังวลเมื่อไรปุ๊บมันจะเข้าไปแทรกเลยดังนั้นเราจะใส่แมสใส่อะไรทั้งหลายป้องกันเนี่ยป้องกันได้ไม่ดีเท่ากับพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นแมส ท, ที่ดีที่สุด เป็นคุณธรรมที่ดีที่สุดเพราะท้าทายมากเลยนะเป็นพุทธพจน์ ท, ที่ตรัสไว้หนึ่งไม่มีสองพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่คำที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยที่ไม่จริงเป็นไม่มีอันนี้เป็นข้อพิสูจน์แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องสามารถเดินเมตตาจิตได้จริงนะเอายกตัวอย่างนางอุตรานันท ม, มาตาที่เล่าไปแล้วนางอุตรานันธ ม, มาตาเนี่ย ถูกนางสิรีมาเอาน้ำร้อนสาดเธอเข้าเมตตาจิตบัตดดลเนยะแล้วก็แผ่เมตตาจิตให้กับตนเองก่อนแล้วก็แผ่กับ น, นางสรีมาน้ำร้อนแทรกอากาศมาลาดที่สรีละของเธอกลายเป็นน้ำธรรมดาน้ำร้อนไม่แทรกไปในผิวเธอเลยแม้แต่น้อยนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาเมตตาเทียมนะขนาดเมตตาเทียมนะ่จะเล่าให้ฟัง ลูกวัวตัวหนึ่งให้ลูกกินนมรักลูกมากตอนนั้นไอ้วัวตัวเนี้ยวัวมันเดินเดินเมตตาจริงไม่เป็นหรอกมันรักมีศีลีฮะในลูกตัวเองในขณะนั้นเนี้ยลูกวัวป่าวัวป่าตัวเนี้ยไอ้นายพานเอาธนูยิงยิงเต็มที่นะลูกธนูเสียบปึ๊กเข้าไปไม่ไม่เข้าไม่ระคายผิวลูกวัวไอ้แม่วัวตัวนี้เลย นี่ไงเมตตาขนาดเมตตามไม่ถามว่าวัวจะทําชันได้ไหมไม่ได้เลยโดยไม่โดยมากก็เป็นตัณหาเปรมะเมตตาผสมกับตัณหาครับเข า, ข า, ขายังป้องกันแม้แต่ลูกธนูได้ฉะนั้นขอให้เดินเมตตากันทั้งประเทศเถอะเดินกรุณาพุทิตากันทั้งประเทศเถอเะอโรคร้ายอ่ะจะสงบราบข้บถ้าเดินได้จริงๆนะต้องริ่งเร่งฝึกเลยนะ ฝึกให้เดินได้จริงๆเลยนะให้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะไอ้โควิดสิบเก้าต่อให้ยี่สิบต่อให้สามสิบก็ไม่สามารถจะแทรกเข้าไปในกายหรือในสรีละของบุคคลที่มีเมตตาจิตได้นี่เป็นอย่างนี้มีตัวอย่างมากมายยาพิษก็เข้าไม่ได้เอายาพิษสา์ก็ไปในร่างกายก็ไม่ซึมเข้าไปไม่ซึมเข้าบุคคลที่มีเมตตานี่เป็นขนาดนั้นนะ เออตรงนี้เราถ้าเข้าใจคำว่าพรหมมิหารตรงนี้เอออีกเรื่องหนึ่งจะเล่าอีกฟังในหลวงราชการที่วเสด็จภาคตายตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยอันนี้ตอนตอนที่ท่านยังมีพระชนอยู่เนี่ยตอนนั้นเน่ะคนที่ภาคใต้เขาเป็นโรคเขาเรียกโรคเรื้อนเนี่ยโอ้โรคเรื้อนเนี่ย มันกุดหมด น, นะยอมนะกินมือกินเท้าหมดเลยเวลาพระ อ, องค์สเสด็จไปเนี่ยก็ใช้มือเปล่าๆเานเี่ไปจับจับคนที่เป็นโรคเรื้อนโอ้โหทั้งหมอทั้งบาลานีในยุคนั้นพากันตกใจกลัวกันปเปเ็นแถวเป็นแนวแต่นี้ก็หมอก็ไปทูลบอกบาลานีว่าบอกในหลวงว่าอย่าไปถูกตัวเพราะโรคมันโรคติดต่ อ, อยางแรงเลย โรคเลือนเนี่ยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงว่าพระราชินีก็เลยไปทูลกับในหลวงว่าออในแพทย์แพท ย, แพทย์แพทย์เป็นห่วงขอให้พระองค์อย่าได้ไปจับคนที่เป็นโรคเลือนเลยในหลวงท่านบอกว่าท่านเยี่ยมเย้ยมเยี่ย ม, ย, มย้มเสร็จท่านก็บอกว่ากรุณาจิตที่เกิดในใจที่เรากระทำต่อเขาต่อคนที่ป่วยด้วยกรุณา การุณานั้นจักคุ้มครองเราเองนี่แปลว่าอะไรเนี่ยนี่แปลว่าเข้าใจในพรหมวิหารฉะนั้นยอมเดินเมตตาการุณาเมตตาแล้วเบกขาให้ได้จริงๆนะฝึกตั้งแต่วันนี้เลยถึงแม้ว่าหน้ากากไม่พอก็ไม่ต้องตื่นเต้นฝึกให้ได้ฝึกให้เต็มที่เลยนะแล้วอย่าให้หลุมมันจะแทรกตอนที่เมตตาหลุด กรุณาหลุดมุติตาถ้ามีเมตตากรุณามุติตานะอยู่ในกระแสชีวิตตอนนั้นนะ่ะมันจะเป็นแมสป้องกันอย่างแมสป้องกันอย่างดีมันจะเป็นตัวคุ้มครองป้องกันเป็นดุดล่มที่กันฝนและกันแดดทาให้ไม่ไม่ร้อนไม่หนาวฉะนั้นพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านะพุทธ ทำและวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสตราของตัอฉะนั้นถ้าเราเอาธรรมะมาประชุมไว้ในใจเราได้กระแสชีวิตได้หมดเลยธรรมะนั้นจะคุ้มครองจะคุ้มครองท่านทั้งหลายฉะนั้นขอให้ท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ละเลยธรรมะธรรมะก็ไม่ละเลยท่านถ้าท่านไม่ละเลยพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไม่ละเลยท่านแต่ถ้าท่านละเลยแปลว่าธรรมะไม่เกิดในใจท่านไม่ดึงธรรมะไว้ในใจ มีแต่ธรรมมีแต่ อ, ตอกุศลธรรมเกิดถ้าอย่างนั้นคุ้มคองไม่ได้นอกจากจะคุ้มครองไม่ได้แต่แถมยิ่งป่วยหนักฉนั้นเชื่อมั่นไหมล่ะถ้าเชื่อมั่นก็ทำใช่มท้าหน้าฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องวัดที่จริงน่าจะลนนลงแล้วก็เอาอา น, นิสงส์เนี่ยสิบเอ็ดประการไปบอกไล่ด้วยนี้เป็นพุทธพจน์เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระริเจ้าตัดสร้มีภาษาพัยุตยานแทงตลอดความจริงเห็นความจริงแล้วก็พระริเจ้าทํามาแล้วตอนเป็นสุวรอาสามบมําเพลิอะไรเมตตาบรารมีเห็นไหมฟื้นไหมโดนยิงอ่ะนั่นเนี่ยเมตตาบรารมีฉะนั้นเมตตาเนี่ยไม่ธรรมดาตั้งสัจจะตั้งเมตตาแล้วก็สามาทานเมตตาพรหมิหารได้ต่อเนื่องท่านทั้งหลายจะปลอดภัยอย่ากลัวอย่าวิตกกังวล ไม่ควรกลัวไม่ควรวิตกกังวลควรตั้งท่าทีทางใจและวางใจเป็นกลางเห็นว่าตอนเนี้ภยภัยร้ายมันมาที่จริงมันมาตลอดมันมีภัยร้ายตลอดมันไม่ใช่เฉพาะโควิด -19 ถามวันหนึ่งในอุบัติเหตุตายเท่าไหร่วันหนึ่งคนเป็นโรคมะเร็งอยู่ในโงรงพยาบาลตายไปเท่าไหร่คนเป็นโรคปอดเป็นโรคตายโรคตับตายเท่าไหร่มากมายเหลือเกินฉะนั้น จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะโควิด19ยังมีโรคอีกเยอะแยะและยังมีอุบัติเหตุยังมีภัยอันตรายอีกมากมายไม่ใช่สุดตองมามัวแต่กังวลในเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ไม่ป้องกันตัวกันก็เสียหายฉนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งมั่นในพระธรรมพระธรรมก็จะคุ้มครองท่านทั้งหลายโอ้เกินเวลาเลยวันนี้อขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายเนาะวันนี้ก็ขออ้างอิงกับคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมปา ร, ร, ร, ริยสง์ ตลอดถึงพระบารมีธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาจงปกป้องคุ้มครองกระแสชีวิตของญาติโยมทั้งหลายให้พ้นจากอุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอกดําเนินชีวิตไปตามศีลสรรมาธิปัญญาหรือพรหมวิหารธรรมปฏิบัติตามอาาัตถสังขาวัตถุดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาประชุมศีลสรรมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผล กำจัดกิเลสและกองทุกลุถึงอนุปาทานรินิภนัณฑคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ